หลวงพ่อคะความจริงลูกก็ไม่เชื่อหมอดูหรอกเพราะว่าเป็นลูกศิษย์ของหลวงพ่อเชื่อเวทเชื่อกำแต่อีตอนหมอพูดบอกว่าอะไรก็ราะสุขเศ้าเพราเสาแท็บมันเป็นจริงอย่างที่หมอพูดทุกประการเลยเจ้าคะ่ะตอนนี้ชักเสียวเสียวท่แล้วว่าเ อ, อจะทําอย่างไรถึงจะให้จิตใจเข้มแข็งไม่ต้องห่วงเต้างสุกไม่ต้องห่วงเพราเสาวขอหลวงพ่อช่วยที่แนะทางสุกเสาด้วยเจ้าค่ะต้องห่วงเราก็แล้วกัน อ m m ๋อสุขสาไม่ก้อหวงเหรอใช่ห่วงตัวเราเองใช่ๆเพราะว่าท่านก็บว่าสุขเข้าภาษาแทรกก็รัดแท้รช่ๆหมดเรื่องของเอ๋อที่ตามแดดแต่เอ๊ลุกตึกเคมีลุกตือลุกพ่ออยู่มันเอาจงริงนะใช่เคยไม่หงแดไม่อฉันแล้วขนาลงพ่อเหรอขนาดลุงปู่จะเอาเลยพอแก่ลงพ่อจะเลยใหญ่มันจะเล็นงานได้ยังไงนแปลมนเต็นไปตามเขาพิทยากรนั่นแหละ ก็อยูก่อนว่าปีไหนจะเป็นอะไรเป็นจำนนั้นครับคก็รักเพืนกันนิดหน่อยครับอ๋อก็ต้องเอวิธีรักก็ต้องไปหาใจน้องจริงโน่นไม่สสนใคกัดอ๋อที่ว่าเป็นพระลูกระเบิดตูมใช่ใช่จใจเจ้าวาดนะเจ้าวาดโอ้นั้นถนัดถนัดเขาสุดเข้ากระสาวแทกลองลองไปนะตั้งก็ไม่เสียมากครับแล้วก็แปลงก็รคนนี้นะ เขบอกเาไปลูกศิษย์หลวงพ่อปุ๊กแมเดียวน้ร้อนมาเดี๋ยวชลงมาเดี๋ยวแแเอรยรยรแดงว่ยู่ห้องสได้นะบารมีงพ่อนี่โอู้ดเขียนยาวจังเลยนแจกเลยนะอ่าบอกข้ามไปก่อนในยาวจังเลยอ้าใ่หท้าหลวงพ่อเากอย่างสูงลูกอยากเรียนถามหลวงพ่อว่า โ ล, ก ล, กลูก ม, มากึกมโนมยิ้ทเทสองครั้งแล้วปลาโกรว่าไม่ชัดขมุขขมัวลำลางลำลายทีนี้โลกกลับไปถึงบ้านแล้วปลาโกรว่าชัดเจนแจ่มใสาตามคว า, ามาเาามป็นจริงอยากจะเรียนถามลุงพ่ว่าลูกทำผ <ทำ S 1> ิดครูอย่างไรเวลาฝึกตอยสายลมจึงไม่ชัดมันอยู่ที่บ้านจะค่าติครูแบบนี้<อ>ติดครูเรื่องอะไรก็ทำอะไรไม่อยู่มิโกชินะสงบกว่าอ อนนี้มันเลยไม่มี เ, มเวลาพักที่บ้านมันเรืองเวลาการชอบใจโออย่างนี้มันก็อยู่ที่ที่ใจเาราเออยู่ที่ใจได้เอง <c oughs> ใช่บางคนก็บอย่างฉันอยู่ที่ไหนมันก็ชัดในโซ่ก็ชัดยิ่งในโซ่ชัดกอิออจริงมาลายโซ่เป็นกรรมฐานได้หรือว<อ>่าลายโซ่กรรมาฐานแทน้นสมัยก่อนเฐานไอกรรมวัตรทำไหมทาการชี้ในฐาน ไหนๆลราอธิบายเยอว่าเข้าท่วมเป็นคํามฐานได้ยังไงก็ทำไมเราเวลานั้นไม่มีใครควรจิตสมาธิเราลงแรงอ๋อท่านนี้เป็นสถานที่ที่สองครับครับครัเขาเนี่ยใช่บางทีนะบางครั้งมีอะไรสักอบอกถ้านั่งคนคนมากปวดเท้าขี้พเข้าไปท่วมไม่ได้กีิท่านบอกที่นั่นไหนสอนก็ทั้งในท่วมเลยเหรอใช่ใช่โอ้โหหลูกติดครั้หนึ่งเลยนะไหนชวนกทั้งนสอนบ่อย เดี๋ยวนี้นะเดี๋ยวปัจจุบันนี้นะเออไม่ใช่มาสอยช่ไหมช่คเอออันนี้ต้นในดินนะตามทานสอให้รว้แต่หนุ่ยขว้างทางนีเด้วยเขาเดินได้จ้ะนี่บอกว่าราฟ้าหลวงพ่อเทขลศ่างสูงถือว่าเดี๋ยวนี้คุณพ่อมีความทุ่มใจกันอย่างมากปกล้อมเทอะไรห้องน้ำ เลยไม่ควจะได้สติลูกหาทางแก้ไขโดยเอาเทป ท, ที่ซอยสายลมไปเปิดให้ท่านฟังที่ช้างหูท่านได้ตะกยักหน้าพยักข้าแต่พูดไม่ได้แล้วก็หมดลมหายใจไปเลยในงานศพนี้ก็ทำตามประเพณีทุกอย่างลูกมาถวายสังฆทานทุดละสองพันบาทกับคุณพ่อเอาทองคำ ม, มาถวายหลวงพ่อเพื่อรออมรสมที่จะเรียนถามก็คือว่า การเปิดเทพธรรมะให้ผู้ใกล้ตายแล้วก็ตายไปในขณะฟังเทพธรรมะนี้จะมีโอกาสไปเกิดในที่ ส, สูงหรือเปล่าเจ้าคะเดี๋ยวนี้เขาอยู่ที่นี่จ้ะม า, มา <ๆ S 1> แล้วเหรอเนี่ยมานานแล้ว ต, ตัวสวยอันนี้ก็ใครกลวที่ตนี้ใช่สิโอ้โหเอ๊ะฟังเทพยิ่ปต่อยเทพอ่าหน้าโมตัวเดียวใช้ได้เลย อย่างพุทโธด้วยอย่างน้อยน้อยไปสวรรค์ทาลายใจดีไปสมให้จิตไม่ยืมร่างกายไปนิพพานโอ้ยลงทุนซื้อเทสที่ห้าบาทตอนนิพพานได้หลายคนแล้วโอหัดกินโดยทางรัฐอย่างเงี้ยนะใชใช่ใช่นี่ยังอยู่หรอครับเนี่ยฮะรันยังอยู่หรอครับยังอยู่ แหตลองหวยฉ่นไม่รู้นะจะอันเชิญไปคืนนี้ไปที่ประตน้ำสักหน่อยเลยนะไปได้แบบตาโบโอ้แหมเลยกาบโอ้ดีนะคนใส่ตายเปิดเทพธรรมะหลวงพ่อไปได้นี่นี่นึกถึงเนี่ยวัดอะไรวัดสุทัศนเท็กโราณลามอใช่ใช่อะไรไี่ใหญ่ผมเจ็บผทาาารย์ผู้ทาอาจารย์เียบนะนั่นไงแหะทำมาได้เทพหลวงพ่อนะแค่แมีหวังกลับมาเจอทีเดี๋ยวนี้หายจ้อยไปแล้ว ตแต่งตุ้งขาวประกายพุ้งอ้าวอะไรเนี่ยราชาหลว้อ่อจะมาลบจางสง์อันนี้จะตายแก้วเหรอเอาลบลับตัดใจความเมื่อกนนี้ว่าอา่าคนตายแล้วทำอะไรอ๋อทําพิธีตามศาสนาพุทธด้วยทําพิธีตามศาสนาทรงแท็กด้วยอา่าไม่แน่ใจเลยมาทําพิธีคือถวายสังฆทานที่ซอยสายลมด้วยการทำสามพิธีอย่างนี้จะมีโอกาสให้ผู้ตายได้รับ ทั้งสามอย่างหรือไม่หรืออย่างไรเจ้าท้าได้ทั้งสามอย่างทําให้ีได้ทั้งสามอย่างใช่ท่านที่แทงพุทธีส่วนประทำนะก็ได้ถวายธรรมทานก็ได้แทงกรุงเทก็ได้คือได้รถขี่เท่าตึกขี่เท่าเอาไหนก็บอกว่าตายไปแล้วถ้าไมมีรถใช้ก็สิดเทากระดาษเทาอะไรไปเนี่ยตัวอย่างเกามีแล้ว หมอถึาอยังมาที่เจ็ดสึกบเรืองเรืองเปไน็นไงกับหลวงพ่อครั บ, บได้ปีนี้นะั้นจะได้ทางคา อ, อไม่ดีทราบทราบว่าทั้งพอ่อทั้งลูกเคยมาเจริญกรรมฐานที่วัดกันนะทราบต่อมาพ่อเขาตายไปเจ็คไงพ่อไปเจ็คเขาเรียกเตียมั้งทรับอ่อาเปรียยเตียลแจคเขาไม่เรียกพ่อเขาไม่เสียเรียกพ่อเนี่ยนะจไปเจ็คไงทราบทราบนี่แกก็ทำมีธีสองอย่างทางพุดเกิดททางฆ้งได้กิทำราบทราบต่อมาถึงวันที่เจ็ด เตี่ยมานั่งข้างข้ๆในนอนอ็อินเล ย, ยลูกเป็นหมอจะเป็นเป็นผู้หญิงแนะครับครับไอกรุงเทพที่เองทําไอตุอ้ไอรถขี่เท่าตึกขี่เท่าเงินขี่เท่าทองขี่เท่าเตี่ยมไม่ได้รับหรอกโอ้าต้องการให้เตียสบายมากกว่านี้เวลานี้เตียสบายแล้วนะครับต้องกายสบายมากกว่านี้ว่าสร้างพระพุรูปหน้าตา20นิ้วสบายไปสังฆทานอแล้วลูกก็เลยทําแล้วลูกก็ได้ฟังคราบ อ๋อรวมความว่าไอ้ที่เขาเผาที่ส่วนมากเป็นที่ประจุเขาไม่ไม่ได้รับไม่ได้ผลนะเขารับอันนี้สงส่งที่เท่าไหา่ยังไงต่อไม่เนาะเกี่ยวกับเรื่องคนตายนี่ที่ต้องการจริงๆก็คืออันนี้สงส่โอ้แหมน่าเสียดายนะหมดอย่างนั้นเป็นหมื่นเป็นแสนสู้สมายแบบเออสุดประหยัดดีด้วยอ่าวอย่งนั้นก็แสดงว่าการเผาที่ก็ไม่ไม่ได้ประโยชน์อะไรเลยได้ครับแต่พี่ว่าไม่มีคนขายได้ โอ๋มาด้วโอ๋คนที่ทำรถขายได้เหรอใช่ใช่ใอทำรถขายขายก็ได้เงินขายแต่องได้ครับคนสวดได้คนทำก็ได้ไม้ทำได้ให้คุณบค้นเลยครับไม่มีใครเสียสรุปแล้วก็คือว่าถวายสังานมีผลดีมากกว่านิดกว่านิดเดียวไม่ผลดีมากกว่าโอครับครับเรื่องสังฆทานนี่ถามกันมาเยอะว่าการขาด อะไรขาลิรมสังฆทานที่ซอยสายลมกับการที่ไปซื้อล้านแปกมาทําสังฆทานอันไหนจะได้อานิสงส์มากกว่ากันเจ้าคะไปซื้อแฝกได้มากกว่าอะไรแฝกเนี่ยได้มากกว่าได้ใจมากกว่าอ๋อจริงจริงนะพลาดตจชุดมึงก็ไปแฝกแล้วแฝกหกร้อยเจ็ดร้อยแล้วเลาได้ของ มันก็จะดีด้วยนะรวมๆแล้วพันกว่าถ้าใช่เนี่ยแน่นอนแล้วถ้าเร่องสมเหมือนกันเอ้ถ้าอันนี้สงเหมือนกันเหมือนกันจะแต่ถ้าเวลาจ่ายไม่เหมือนกัะไม่เท่ากันพี่ซอยสายลมชุดหนึ่งอะที่มีพบทุกอย่างนั้นห้าร้อยสัตย์เต็มก็ได้ห้าร้อยก็ได้ถึงร้อยก็ได้โอ้ mini o ครับอาถามอีกนิดหนึ่งเนี่ยถามที่สงสขยก็คือว่าสําหรับเงินที่หาที่กรรมสังกทางที่ซอยสายลมหลวงพ่อเอาไปใช้ในทางด้านไหนเจ้าระไม่รู้เหมือนกัน ไม่รู้ว่าใช้อะไรเลยเหรอหมดถึงว่ายกหมดนี่แสดงว่าที่ถวายทุกเดือนทุกเดือนนี่ไม่ได้มีฝากธนาคารเลยเหรอฝากอางให้หลพ่อก็รวยจริงนะรวยที่ไปถึงปั๊บปักเลยนะมารับนะรุวงขึ้นทั้งใจเรียกหูเรียบร้อย้ทำไมจะไม่ฝากกูต้งากหลวงพ่อโบสถ์จป่านนี้ยังไม่เคยจะมีเงินฝากธนาคารนี่ฉันรวยนะรวยอะไรหลวงพ่อรวยนี่ นีล่เราติดลบทุกเดือนเลยไออย่างนี้นะจะรวยเะีว่ารวถ้าเก็บประจำว่าจะไมจนเวลาเราตายไปใช้ไม่ได้ใชถ้าลูกไหลก็ไม่ได้อ๋อแต่หลุดก็ได้หลูกไหลนีก็ได้อลูกไหลก็ถวายสงฆ์ทานได้สงฆ์ทานได้ใช่ไหม่ไม่สร้างโบสถได้สงฆ์สร้างโบสถ์สร้างวิหารได้สงฆ์สร้างวิหารสร้างพระได้สง์สร้างพระได้หมดก็ได้ดต่ออีก เขะได้หลายตอนเราได้หลายๆตอนใใช่ใชอ้วยด้วยจ้ะอย่างนั้นก็การที่ถวายอะไรตามอัธยาศัถวายส่วนโอ้ยนี่แม่งจีปาถาวาแบเลยอันไหนขาดปลาปลาปลาหมดไอที่ปลาปาไม่น้อยจะมากแล้วลูกหลานที่ไม่รู้อิเหน่ในที่ถวายไปต่อพลอยได้รับอันดีสงอิเหน่ในไปทุกอย่างเลยดูเหรอไม่รู้กระรองได้เคยถามพ่อานพ่อปานอกกาของใครเา แล้วต so so ่อมาเจอหลักฐานไปหาพระเจ้าได้หลัฐานแล้วบอกว่าเงินท่านบอกว่าเงินนีที่เราให้มาอยากใช้ส่วนตัวต้งหมดนะต้องแบ่งเป็นสังฆทานจุดบ้างมีหาเลทานจุดบ้างธรรมทานจุบ้างและส่วนตัวบ้างกินบ้างใช่ไหมใช่เลยถามแล้วบอกว่าเจ้าของเขาไม่รู้นี่ครับก็เคยจะได้เลยท่านถามว่าสตังั์ของใครใช่ไหมที่พระพุทธเจ้าเองก็ตอบแบบนี้พระองค์พระปานก็ตอบแบบนี้เหมือนกัน ผมนักที่จะหวส่วนองค์ส่วนเฉพาะไปก็ให้ส่วนองค์ก็เป็นสมรภูนิแห่งธรรมไปด้วยเป็นสร้างพุรูปด้วยเวลานี่ยสร้างพุทรูปเสื็ว่าอยู่หกสิบองค์เท่าไรนะหกสิบว่าพระอะไรนะสี่องหน้าเหรอใช่โอ้โหคงเส็จหน้าคงไปทําเสร็จจะพร้อมเกินครับพะมหนลูกศิษยาจสนใจแรงเลยนะใช่ก็อะไรไหมครับก็แพงก็ คือแรจะมาคำนวณอยู่ในใจว่าคือว่าเป็นจะภาพองค์ละห้ามือสร้างจริงๆงแล้วก็คงจะห้าหม่นสร้างได้ครับก็ใช้เงินจอยก็ไดได้จริงจริงแล้วประมาณแปดจะที่เจ็ดมืต้ขของเจ็ดหมื่นโ้มีแสดงผลขอก็สร้างนี้ก็ขาไมปากไงยนะงเงินปากโอ้เห็นั่นส่วนบุคคลนะ่ะถวายเป็นส่วนองค์พ่อถวายส่วนองค์พ่อน่ะดสรุปคองค์สยย่าสยากไได้เหมือนกันแตดยกัน โอโหนี่เราได้ไม่รู้ตัวเลยนะได้ดิแหมพ่อดีๆก็น่ารักนะใช้เงินเป็นทุกอย่างน่าอยู่ตัวหวยนะจริงๆนะพูดแล้วจะเศรษฐใจต้นเดือนได้ถูกล้มล้มยกเป็นอยู่คนเดียวแต่ดาวบามีสูงอ่อดาวไม่โลภกับเพราะว่าเล่นที่ร้าก็กลิ่นอ้าวอ้าเป็นนั้นว่าเดี๋ยวพ่อเดี๋ยวนี้ แล้วงพ่อจะฆ่าลูกขอบหลวงสาหลวงพ่อเดียวตอนนั้นคือว่าเจ้าค่าลูกย้ายบ้านเก่าไปอยู่บ้านแห่งใหม่ลืมบอกผีเล่าผีเรือนหลังเก่าทีนี้ตอนปัจจุบันนี้รู้สึกว่าหลังใหม่ที่ลูกมาอยู่มีอะไรที่ไม่ค่อยชอบราคาคนเดี๋ยวเสียงดังปุกปักปุกปักไม่ทราบว่าผีเล่าผีเรือนเก่าก็จะตามมาลาวีหรือเปล่าถ้าลืมลาเขาจะผ่าน ให้ตามมันจะไหมเหนื่อยเปล่าเปล่าไม่รู้จักกันอยู่แล้วเไม่เคยเห็นกัอยู่แล้วนะาไม่ไปยุ่งแล้วให้กูการกูการดูให้ดีดีหนูโตโตโอแมวบ้างหนูบ้างอะไรบ้างที่เชาดีมยใช่ๆๆๆก็เป็นอันว่าบ้านเก่าไม่มีปัญหาอะไรนะอ่าอ้าวก็เต่งพอดีผมตั้งอาฬิกาไว้ อบอกนิดเดียวใจจริงๆน่าจะไปให้เขอาสอิ <c oughs> นี่แสดงว่าพระธาตุสานหมา ก, ก เ, าเดี๋ยวบอกเพิ่เลยนะไม่รู้ที่บอกว่ารักษาโรคภัยแค่เจ็บได้หายนะหมายความวลาแช่น้ำมันเนี่ยแช่ทั้งถุงก็จะติดเลยใช่ไหม<ช>เอ๊ะแล้วสมเด็จท่านจะออกม า, มาช่วยได้อย่างไรทัานไม่แช่ไม่กินเลยหมอจรูน บ้ก เ, <อ> เ, เหลือเจ็บที่หน่อยเมื่อมาครั้งแรกนะจะไม่เียยาชันเข่าบวมมเรื่อพอไม่ได้เพราอได้ฉันมาไปจะบอกไม่แช่น้ำแล้วกินเลยกินทั้งทั้งกากเลยแหละครับว่วหมดกลัวเข้าส้วมงอขาได้จะโดนขางอไม่ได้วันนี้เลยทราบครับเขาเหลือเจ็บทีไหนนิดนิดขับรถได้แล้วบราบับ ทีนี้ก็มีปัญหาอยู่นิดนึงว่าถ้ากินก็ไปในท้องแล้วเกิดกลายเป็นว่าธาตุเป็นหินขึ้นมาในอกหูลาบากเหล่านี้ตัวเราก็มีธาตุแล้วดูธาตุครับนี่ธาตกเยเป็นเป็ธาตุเป็นหินขึ้นมานะครับระวังอุจาระให้ดีอุจาระเก็บไว้สำลักโอ้มาบีบีไหวว่าธาตอุจาระแล้ว แเราเออจะละหมดไปเดีย๋ยพจะไปท่าไงแล้วกอไปหยิบก็ออกมาดีได้ได้ก็กกกเป็นนั้นว่าเอ่อหนึ่งเรียกติดตัวไว้หรือว่าสองจะไว้แก้ตังกรเป๋าตังแล้วก็เก็บท่ได้สยก็นั่นที่เหลือก็อขึ้นที่พุทธาพระไว้แล้วก็จะเป็นจะจะเป็นหรือไม่เป็นนี่ก็อยู่ที่พุทธานรภาพรู้ธภาพมีอยู่แล้วธรรมภาพไม่เสื่อมอ้ถ้าเป็นหรือไม่เป็นอยู่ที่เรา การบูชาดีจะไม่ดี อ, อ๋อยิ่งปฏิบัติดีครับวันนี้เ็าไปรายงานเ<า>้าดูกันแล้วหลายหลคนที่ได้ไ ป, ไปาารานัวเนี่ยนะเพิ่มเป็น อ, องค์สององค์สามองค์แล้วอ๋อเออเดี๋ยวต้กลับไปดูสักหน่อยจะเป็นยังไงบ้างหรือเปล่านี้นะครับแต่ว่าร้อยเปอร์เซ็นเป็นไปแล้วเอาละก็ะอเอาแคนี้นะครับอ่าประกาศเสร็จเรียบร้อยแล้วว่างานพระเจ้าพรมมหาราชที่เจ็ดรถดออกกันที่ยี่สิบกเก้าโมงเช้าญาติโยมจะไปตังต้งใจตัวที้เขาถ้าปวดขาฉนอกกระชาก ถ้าจะไปทวงนี่เขาไหมจิ้มลถ้าจะเที่ยวกหวัวอ้าวเอาเที่ยวนะอันเอาามกแก่ไปดิษฐก็จ้มเดียวอีกที่ทีท่ทททนีตังคถาดวานนี่มมป่าลูกที่วัดจะส ม, มัคนะรไปมทเลยเจพร้อมกัน เราจะขายสักพวกเราขายไม่แพงหรอกกันเองแต่ของตังเอาทาสอีสี่ล50บาทิบใบก็พอแพงไหมถ้าแพงเป็นร้อยห้เอ่อทุกหลายคนก็ทำบุญเงินไปคิดว่าถ้าได้เงินมาก็เป็นเงินสงฆ์ใช่ไหมไม่ควรจะมันต่นอไปอีกก็อย่าขายปาระมาณสัก สามสิบสี่สีสามสิบบาทสีสีสบบาทแพงไหมพี่กีถามมันก็แล้วมันพอรอไม่พอยังไม่ดูราคาให้เยอพออะจ้ะ วันนี้มีข้าวกินมากเออธรรมดาชาวบ้านเขามีมากเขาก็ใหมากวันนี้มีข้าวกินน้อยก็เรื่องธรรมดาแต่ในตะๆๆๆวันในสมัยสยงครามโลกนที่2ไม่ธรรมดาแฮ่พระนะตวันขพระอรันนะวันไหนเครื่องบินไม่มาที่ระเบิดตูง้ตงเช่าบาินบัตรเพ่ได้ข่าวทุกอย่ายมเลยน้อยหนีไปหมดคืนไหนเครื่องบินมาที่ระเบิดตอนเช่าไปอู้ส่กันเต็มหมดเดียวเดียวเต็มบัตพระเลยนั่งภาวนาเครื่องบินมาทุกวัน นี่สมัยนั้นไปอยู่เรุทพนะคนเนินเนินช่อก็เจอบินมาใจว่าฝนนี้ได้คาวมาหรือวเพราะ่าพายเครี่อมาที่ระเบิดญาติโยมฝั่งะคก็หนีอยู่ฝั่งทนญาติโยมฝั่งทนก็หนีอยู่คลองขุเจบรึไอพวกโง่หนีอยู่ตายเงียบไปอว่าไหนเจเ้าต่อไปไม่รู้ใครกลัวมากกลัวน้อยแต่พระก็ยังเจ้าคุณพระสวีกระชั นี่ฉั น, ไ, น, ม น, น, น, นไม่รียนทางเขาไม่ได้ฉันฟังฉันจะเพื่อานะตอนนั้นท่านงูสมบ ล, ลีก็ไปยระวองอยู่ด้วยกัน <c oughs> อนอระเบิดลงวัดตูมเดียวเหาะเพื่อไปโนนเพราะตั้งใจจะไปจะไปบางไสรจะไปแวะวที่ทีนนทบุรีก็ได้ไปเรียก้าทนนันและไปเยือนคุทีนนันวันนี้เก่งมากเยังไม่ได้เข้าวัดเลย <c oughs> น่าจะไปเ้าวัดเจก ต้องพิจนาคิจนาคเป็นฝ่าใจดีมากเครื่องบินธรรมดามันตกได้ใช่ไหเออแต่ไม่แน่นะถ้ามีน้ำมันชาตรีเนี่ยบาทีตกลงมาแล้วลุกตกตัวป๊บับปปกนไม่หน่อยอ่าจะเพิ่งดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนดยก่อนยางไตเขียวเราเรีนฟานิทช์นะใตเขียวด้วยจังหวัดสุพรรณบุรีนีชาวเทศวัายหัวช้าง ไปตอนเช้าก่อน่อนเพลงไปเกี่ยวก็กินน้ำตันเมาแกไว้ข้างล่างตารวจตามจับเฮ้ก็ปกนามาก็ะบอกตามาไว้หมือดยดตาลจะทำตาลด้วยนะแกไปถึงไตกระบอกตาลเสร็จแกก็ดึนั่งเด่นตเมาบคอตาลไอ้ลมมามันก็โชกลมแรงมากพื้เดียวจะลื่นพื้นต่ำต่ำไอ้การตานนะหลนตุ๊ก เราสามองกันเห็นพวกแกหล่นโยธตานมาสูงมากก็นแลว่าแย่นะกวิ่งกันไปเลยขอนแยไปช่วยก็จะถึงได้ลูกกระวับตับตับตับเมื่อชายกมาดูไอหาเฮ้ยหกสัหน่อยได้ได้จาใจเมาแมเราต้ก็สงสารนี่พโยมอุสาววิ่งพระวิ่งก็ไม่น่าดูแต่ว่ามีความจำเป็นใช่ไหมมีความจำเป็นตอช่วยแล้วชื่อจาเป็นตอช่วยแล้วถามว่าโยมไม่เจ็บหรอ ไม่เป็นไรครับแต่เช้นั้นวันเมาหกสักหน่อยได้แม่ทำโยมไม่อะไรก็มีลูกเบาชาตีนี่เขาเรียกลูกเบาทุกอย่างถ้ามากระทบเข้าเป็นลูกเบาหมดแต่น้ำมันชาตีที่ทำนี่ไม่ใช่อย่างนั้นนะเป็นยารลกสาโรคพระเจ้าตราสบอกว่ารักษารคทุกอย่างโัคอนใรคนอยากกินก็กินได้แต่กินวันหนึ่งไม่เกินหนึ่งช้อแฟถ้าโรคคนอยาทาก็ทาได้ ให้ปลูกื้อกระดาษอิฐทิฐผู้ทัดนิมิตตังจำได้นะจําได้อันนี้ใช้ได้ซือแทนหมากยังหมากไปก็ขาหายมันหลายคนเลยยังหมอเจรูนในวันแรวันแรกฉันมาข่าวบวมมากมาถึงแล้คขาห ง, งอไม่เข้าจนใหญ่หขาเจอกลับไปบ้านให้หมอนะหมอจาตัวฉันแค่จับไว้ปลายกระบอกตีหนึ่งมันปวดจัก เขาจะเอามากละลายากับน้ำมันหมอนุกบาลทาแต่จัดชีใจไม่ทา้ากินดี ก, กว่าว่ากินมากดีเพราะอี่ซาบะนี้เดียวมันมันเบาวปวดไปห้องน้ํางอขาได้ตอนเช้าขาบวมหายไปปวดไปในเล็กน้อยอวันี้อีกวันนึงกินใหม่อีกครั้งหนึ่งพมื่อคืนนี้กลับมามาที่นี่นั่งคุกเข่ากราบได้นาพระเพียบได้เพราะอัศจรรย์แข้อเทียงไม่ต้องเดือดมากกว่าใดนะ 这到我家去，我家没去过家，你看。啊 so e> ，哈哈哈哈哈！还家来谈路，累。啊，这个家。怎么样？好累呀！累，累，累，累，累，还家来谈路。啊，有空，我读得啊。啊。啊。啊。 เอาพ่อใหญ่พ่อเล็กวาไม่เป็นไรล้วว่าลูกเลยไปคลาบเหมือนกันลูกพ่าจารย์พระเดชลูกคุณหลวงพ่อยูนี่เดี๋ยวนีอะไรองกลอกอย่างสูงลูกสาวลูกพ่อจะสายสมอนปิ่นเฉลียวขณะนี้ก็เป็นมะเร็งรักษาไม่หายมีความทรมานเป็นอย่างมากลูกเองก็เป็นใจหลวงพ่อเพราะหลวงพ่อก็ป่วยเหมือนกัน แต่หลวงพ่อป่วยมากกว่าลูกลูกป่วยน้อยกว่าเชิญขอพึ่งบา ร, รมีหลวงพ่อเออดีเหมือนกัน <c oughs> ป่วยน้อยขอบา ร, รมีป่วยมากน่เลยครับอาลูกจะขออนุญาตให้ชานหมากที่มีอยู่รับประทานเออดีเหมือนกัน ดีดีดีอะอดุญาตทางพ่อนะใช่จะให้หายเร็นะครับเขาคบเขาไม่เอาธรมนโมรักกินทั้งลูกเลยนะใครก็รอดทั้งลูกดวกันว่าดีขึ้นอาจารย์ใหญ่ก็ทานทั้งลูกเลวเหรอใช่เอออันนี้ได้เออใช่าบลาสบายใจจำบุญไปแค่รัศมีราบจากกินทั้งลูกเป็นแสงอ๋อได้ผลกินเยอเลยอ่าหลายห่านะก็ได้คอให้ตาชี อาลาซาหลวงพ่อที่รับอย่างสูงเออลูกขอปรึกษาถามหลวงพ่อว่าการถวายสังฆทานชุดใหญ่สองพันบาทกับเอาชุดเล็กๆยี่สิบชุดราคาสองพันบาทเหมือนกันเมื่อถวายไปแล้วอา น, นิสงส์จะเหมือนกันจะต่างกันอย่างไรขอหลวงพ่อช่วยชี่นะอานิสงส์ดีเหมือนกันจะต่างกันไม่ได้ทีละน้อยแต่น้อยคือชุดใหญ่ไม่ได้ ที่ใหญ่ได้ทีเดียวก้อนใหญ่แล้วพัาชุดแรกก็กระปิดกระปลอยได้นะใช่เหรโอ้ถ้าโฆษณาใครไม่เสียท่ากันไม่เราเบี้ยมากกว่าใช่ <c ười> โอ้เบี่ยชุดใหญ่ดีกว่า <c ười> ใช่ใช่แล้วไม่ต้องเสียเวลามากไม่ใช่ห <c ười> ลับไปนั้นว่านะทำีมากมากถ้าเอาเป็นชุดใหญ่ไปเลยจะสะดวกยิ่งขึ <c ười> ้นครับ โอ้โหมาเสียงเที่ยวไปหมดเลยปเลยป็นไรเป็นไรหลวงพ่อครับอคือว่ากระผมะ่ไม่รู้เป็นยังไงตั้งแต่มาเป็นลูกศิษย์หงพ่อเนี่ยฝันดีตลอดเช่นฝันเหาะบ้างฝันว่าพระพุทธเจ้าพาไปสวรรค์ไปที่สูงสูงบ้างในลักษณะแบบนี้สแสดงว่ากำลังใจของลูกน่ะ มากน้อยเพียงไรขนาดไหนและต่อไป ค, ควรจะเพิ่มเติมเสริมต่อการปฏิบัติอย่างไรอีกอรับเ จ, จ้าก็ปฏิบัติดีแล้วนะใ้ทคงรักษาปฏิบัติดีแล้วทางั้นไม่ไดไปนะจ๊ะไปเลยจ้็ทําทำดีได้เนี่ย ไ, ไ, ด ไ, ได้ได้เนี่ยเป็นพุธ้ทธานตสีแท้นี่อย่างนี้เรียกว่าแท้เลยเหรอครับ ครับครับขอเชิญคุยกันเบาๆหน่อยล่อันเจียวเลยเดี๋ยวหูหลวก5้าร้อยชาติไม่รับรองไม่เดี๋ยวก็เอาแน่เอาแน่เะยทราบเอาแน่อดีหมอหมอหมอหูหลวกจะได้มีรายได้ใช่ดีใจองพอกรับดีจกตผมต้องกราบขอบพระคุณหลวงพ่อเป็นอย่างมาก ที่ตอนลูกถวายสังฆทานชุดใหญ่กับหลวงพ่อหลวงพ่อได้อวยพรให้ลูกรวยให้ <uk Natürlich enjoying attacking foot> ลูกถูกหวยรางวัล <uk uk itations> ที่หนึ่งแล้วพรที่ให้นี้ก็กล่าวกฏว่าได้ผลไปที่น่าพอใจกล่าวคือวันนี้ซัดเข้าไปแล้วได้มาเกือบหกแสนบาทครับโอ้โหจิงมากสิมมากจิงมมะครับครับ ด้วยความแรงใจก็อยากจะให้หลวงพ่อให้พรอย่างนี้เรื่อยๆต่อไปครับอเลยเขาแบ่งครึ่งเาแบ่งครึ่งหมเหรอันแน่ไม่มีแรให้พรโอ้พรจะถางไม่ขางีอยู่ที่มีแรงันเหรอใช่โอ้โหอ่าถงไฟแรงเหลือเกินครับอะไร เออถ้าจะพูดกันเสียงา บ, บ้าๆหน่อยนะฝัดแม่ไอ้เซ็ตเกินไปมันไม่เดียวไม่มีความจำเป็นจะรักให้ออกไปคุยนอกปล่อยสลมเลยถ้าหลวงพ่อจะาขาไม่มีคนก็นแนะนำมาเขาบอกว่าหลวงพ่อขาโอ้โหรอเดี่ยวเลยอะไยนะ <c ười> เอาไปส่อว่าท่านเสก่อนโอ้โหยอดจริงๆเลย สบายครับไมได้จะได้สบายสบายคนนี้ไม่ถบายอย่าเสียงดังไปนะมันไม่มีความจะเป็นเลยน ะ, ะ, เ, ะเสียงแจ้วแจ้วเจ้วเจ้วมันเกินไปกล่าวหลวงพ่อสบายหลวงพ่อาคาซังเข้าถึงออย่า ง, างสงศ์ขณะนี้ปราก ฏ, ฏว่าลูกมีองค์ในองค์ในสั่งให้ลูกมาหาหลวงพอ่อเขาบอกหลวงพ่อเปิดตาเปิดหูได้ ลกก็สงสัยไม่รู้ว่าหลวงพ่อจะทาได้หรือเปล่าเกรงใจก็เกรงใจแหมลองเปิดดูสักครั้งก็จะขอบพระคุณเป็นอย่างสูงจะยิ่ง่ันเปิดทั้งวันอยู่แล้วนะเปิดอยู่แล้วเหรอครับเปิแล้วเปิดอะไรใช่ฉันนะโอ้แหมเรือนอในองอกี่ยุ่งจริงๆนะองในก็จะมีทั้เหม็นแค่ครับโอ้องในแท้เหม็นเหรอเหม็นโอ้โหเจ้า อ่าลูกขอลบกวนนี้เดียวเกีมม่ยวกับเรื่องการทําบุญคือว่าบางครั้งอารมณ์จิตของลูกว่าเออทมมําบุญต้องได้รับของแงจกถึงจะสบายใจบางอารมณ์ลูกบอกว่าเออไม่ต้องการรับเราเอาบุญล้ลลลนลวนอารมณ์ในลักษณะสองอย่างที่มันเกิดขึ้นอย่างนี้เรียนถามว่าอารมณ์ไหนจะใช้ได้ดีถูกต้ อ, องเถ อ, อะคก็ถูเท่าสองอารมณ์เพราะทูกทั้งสองอย่างเลยเหรอคะใช่โอ รับพร้องแจกเขาแจกถ้าไม่ได้ขายนี่ไม่ใช่็ิการแม่เืนนะ่ม่แจกโดยเมตตาเราไม่รับก็ดีเป็นทัานโดดเอออะไรอ่ะยิ่งได้มาผัวชีก็าะมันเอาเขามันไหมเ๋วเดี๋ยวมาือง่ายนะไอ้เจี๋ยลงพ่อกขรับเพื่อนบอกไม่ถนัดเพราะฟังไม่ถนัดท่นนีเมื่อตอนบ่ายนี่ว่าหลวงพ่อจะ อะไรนะจะอยู่ยงภงน้ำมันชาตรีอะไรไม่รู้ว่าอะไรแล้วจะทำบุญแบบไหนอเอางี้แล้วกันยังไงยังไงคนนี้เขารู้แล้วน ะ, ะคนนี้ไม่รู้ขอขวดละห้าร้อยที่ข้าไม่รู้สามร้อย่าทข อ, อเปิดวามรู้ซสามร้สะสะอยบาทใช่ใช่ จกครูราคาัวดอีร้อยหนึ่งรบคาเรลาอี่ห้าสิบโอ้โาคามานห้าสิบราคาขวดมีป่าราาขวดนะบ่าขวดเลยตอนกลางวันก็มาบ้างกางคืนไม่ได้ไม่มาก็ลูกพ่อก็อธิบายจชนิดตายครับเจ้าของเสียงได้ดี้ากเลคราคาใครปิบายกันแน่เนี่ยเจ้าของดอเสียงได้ดีเสียงคอย่างแย่แล้วครับ เรื่องไปอย่างนี้น้ํามันชาตรีเนี่ยนะเดิมทีหลวงพ่อก็คิดว่ามีทุนน้อยมีแค่หนึ่งพันก็จะทําทํานี้ก็จะปลูกเศษใน ว, วันที่ยี่สหกยี่สิกปลูกเศษน้ำมันชาตรีด้วยปลูกเศอชาาดหมากด้วยน้ำมันชาตรีที่อย่างไรรักษาโาครคไข้ไส้เจ็บเจราจาถ้าจะให้ได้ผลให้ปลายทูบก็ได้จึ้มไปที่น้ำมันนี่นะและ้วก็จี้มบนที่ลิ้น จะมีผลใ้การเจรจาแอ้ฝันเนี่ยจะไอ้คนฝันไม่ต้องขิ้มาเนี่ยแอ้ฝันนันต้องฉีดเลยฉีดเข้าเล่นไมเลยแล้วน้ำมันสาตรีนี่ก็เพิ่มจะทำเป็นครั้งแรกในในชีวิตของหลวงพอ่อเพราะไม่เคยมีตำรายังไม่รับการิาุญาตเพื่อาาเช้ามาแจ้งพอ่อใช่องค์สมเด็จพระสาัมมาวิช า, าอนุญาตให้หลวงพ่อทาน้ามันนี้จะทาโดยองค์ปสมกับหลวงปู่ปาน พอจะดัพูดหลายองค์น ะ, ะมาหมดเลยเดี๋ยวทำไห้ใจใจมาหมด<อ>นี่พ่อไปไม่ที่สุดออ๋เราดังนั้นเรื่องนี้ก็วันที่ยนะี่สิบคิดว่าบุกเสร็จเสร็จคืนนั้นก็ได้แจกเลยนะแจกไม่แจกขายเลยค แค่บอกแจกเล่อเรียกโอ้ยเรีกก็พูดให้รู้เรื่องไม่ยอมไม่ยอมมาอยากทำไมบใจล่คิดเอาตังค์ไม่ได้แจกก็แจกทำบุญนะให้สร้างวิหารน้ำธานด้วยน้ำทานด้วยได้ลบเลยสร้เลยเลยครับทีนี้ก็ตกลงว่าถ้าจะร่วมการกุศลเกี่ยวกับเรื่องน้ามันชาตรีดังล่านี้ก็ เจ็ดรายการแล้วก็ไปถวายลุงพ่อได้ใช่ไหมได้ครับมีจำกัดหรือเปล่าวาต้องถวายเท่าไหร่ครับจำกัดถวายเท่าที่มีอยู่ถ้ารถไปโดนงอาไปเอาลักขากลับบ้านเดินกลับบ้านเอาลุงพ่อเมตตาขนาดนี้เลยเนี่ยโอ้โหพ่อแท้ๆเลยอย่างเงี้ยนะให้เดินกลับบ้านให้เคยจะโดมมาไกลกว่านี้นะโอ้โหกับก็ทำตามตามที่กำลังที่จะมีอยู่นะ น้ำมันชาปีนี่ถ้ากินนะวันหนึ่งไม่เกินหนึ่งช่อนกะแฟถ้าเป็นโรคคนกินถ้าเป็นโรคคนทาก็ทาจามันยาใสเติมไม่ได้อาไปไม่ไหมดถ<อ>้าจะมันงานหรือว่ า, า, าน้ำมันพร้าเติมไว้จะไม่มีหมดไม่จางคุณสมบัติคุณภาพไม่จางนะออหมายความว่าเพิ่มเติมเสริมต่อได้ ไ, ได้เต่อไปนี้ก็แสดงว่าเคอไปกวดแล้วก็ใช้ทั่วชีวิตทั่วลูกทั่วหลานท<อ>ั่วลันเลยไหลไหลไหลั่ว โอ๊ยใช่ก็คำอีกคำได้หลายช่วงอายุหลายช่วอย่างเดียวหลายหลายอายุไข่อหลายอายุไขัโอ้โหเชอไห่วไหนนะ่ว่าหลายช่วงจแสดงว่าเออฮะพระพาได้หรอโอ้ยแหมทูแรงนะทไมเนี่ยอมโพเนียข้างขาเนี่ยเจ้าเก้าเนี่บอกถวายห้าพันโอ้ยังน้อยไปมากันยาวเลย นึกจะมากใจะได้ถอนอะไรแล้วอ๋อห้าห้าพันนี่น้อยไปอีกเหรอห้ามยังน้อยเลยคนไม่อยากได้อะโอ้ทราบทราบทรอ้ยห้าตังก็มากครับทรทาบเปนปธาหลวงพ่อก็พูดไปงั้นแต่ให้ก็ให้ก็เอาไม่เอาเจาใ่ใช่ใชละแค่ต้องพูดจริงทำจริงใช่หายากหายยากับนี่ก็ประเดิมไปแล้วห้าพัน อแล้วก็ทานหมากที่ว่าขาดไปนี่ก็วันที่ที่ผมก็คงจะได้เห ม, ม<ง>ือกัีเครเต็มแล้วที้กร<ะ>ใหญ่เต็มแล้วแล้วสมมุติว่าลุงพ่อมาเดือนหน้าซอยเฉลิมพอจะมีทางเสร็จมเสร็จหมดสม ม, มติว่าไม่หมดก็มีมาแล้วถ้าสมมติว่าหมดละ <S <S <S ่ะก็ไม่มีมาเขาทําที่นี่ครับทั้งถ้าเขาทำที่นี่มันมีต่อไปอ๋อถ้าหมดแล้วว่าไม่มีใช่ที่มีแล้วไม่มีหมดไกลเฮอเดี๋ยวตอบเราอยู่นะครับไปอันนี้สิ ถ้าหาว่าหมดแ ท, ที่นี่ก็ทำก็มาเสกที่นี่<อ>ถ้าไม่หมดก็นำมาใช่ๆลันก็สงสัยนะเพราะว่าหนึ่งเป็นยาสองเป็นพระธาตุ<อ>นี่ที่จันบุรีบุฐาวันเดียวกลายเป็นประธาตุพระธาตุแล้วเนี่ยฌานหมากเนี่ยในข น, ขนาดขนาดหลวงพ่อใส่คนเดียว น, น, นะทีอ่องค์พระถมนะหลวงพ่อนะชึ้นัคไม่ได้เสกอา โศกสงเด็จอย่างนั้นไหมโขกโขกโอ้ยังไ่มาขนาดสมเด็จแต่องคสมเด้จช่วยอ๋อท่านคุ้มอยู่แล้วมีสามสี่องค์อย่องค์หมองปัจจุบันพระฤาษีศพแล้วก็พระพุทธศิิปังกรนอ๋อท่านช่วยอยู่แล้วแต่อีพีแรกทีใจหายใจพร้อมนะเห็นลูกพ่อยกฝากยกแทยจะไม่มีแรงใช่ใชนท่านบอกว่าเอ้าทำอะไรครัลูกก็เลยทำอ๋อ ครับแต่นั้นว่าวันที่ที่แต่ว่าน้ำมันคงจะมีเหลือมาลอง่อดนะมีเหลือใช่ใช่ว่าคงมีเหลือหน่ามี<ร>เหลือเอาใส่ลมนะเพราะว่างไง่ายเข้าภาษาคนไม่ช่มากครับครับคร ไ, ไม่ได้ในในแล้วพอรู้อารมภาพนี้เราแหมต่างคน ต, าต่างขยับได้ท่าก็คิดไม่ถึงนะท่านก็คิดไม่ถึงนะจริงว่าเที่ยวนี้ใชนมากันแย่นี่วันที่สามนยังดีกว่าวันต้นที่มาเลยเห็นฉันมาทุกวันนะครับคฉันมาพิเศษ่ โอวันน oh uh ี้เราสองเที่ยวข้าวเที่ยวเย็นเที่ยวเส่างรับตัวเองอาด้านญาติโยมที่ชอบมีปัญหาเกี่ยวกับโรคภัยไข้เจ็บจะให้หลวงพ่อรักษาใช่หลวงพ่อรับเฉพาอต่อไปนี้ก็ให้หลวงพ่อทานหมากทาหน้าที่แทนใช่ๆช่อ่าแต่อ้โหสมุมาเลยหาเอาได้หลวงพ่ออะไรก็ะตังเหรอี่ก็ให้จริงหลวงพ่อเอาไจะให้ไม่ไม่ต้องเติมนะไม่ต้องเติมนะให้แล้วใชเลย ไม่ต้องไม่ต้อง t องกรีนแค่เห็นชัดดีเออดีีกว่าไอ้ซองไม่แน่ลกเลยไมทำไมซองซองซองเนี่ยมันแน่จะตังไม่แน่ใครดไล่ผเพรตรนเขเลือกทองอมาว่างแล้วนมันใช่ไหมลูกห้าพเลยน้มันอ๋อปเดี๋ยวฝากอาชยนายเขาไปซื้อจ้าฝากโอ้เจอซองกรีนซะจนเ็ดไม่เข็ดหรอกไม่อยากได้อ๋อจ้าฝาก เอาต่อไปว่าถ้าเียนก็ตัวเล็กจังลาพาวพระเดชพระคุณหลวงพ่อที่เคารพอย่างสูงดิฉันและเพื่อนอยู่ที่จังหวัดสะเติอเทราไปโลกูกศิษย์หลวงพ่อมาตั้งแต่สามสิมิยอนี้จิโหต้งเป็นบเร็วเร็วสิทำค้าศึหน้าตัวเลยเรื่องก็มีอยู่ว่าเพื่อนได้เข้าไปบูชาในห้องพระของโลก จุดไฟท่าไหนก็ไป่ทราบล้มมาไหมทั้งโต๊ะทั้งละทั้งห้องเรียบร้อยแต่ที่ลูกไม่สบายใจจะเรียนถามก็คืออย่างนี้องค์พระวิสุทธิเทพไม่ดำเตรียมไปหมดว่าลูกจะเอาไปไว้วัดหรือจะเอาบูชาไว้เพราะยังไม่แน่ใจว่าท่านยังสู้ไฟไม่ได้ <laughs> พระเจ้า่าสู้ไฟไม่ได้นะโอ้แสดงเขาเผาหน่อยเก่งกว่านะใช่ครับพระโอที่ี่จะเก่งมากโอเมียเหรอใช่เริ่มสนานก็ะสามทุกคนต้องถึงโอที่ีแล้วนะครับอสกาก็ไปงั้นหมดเลยนะถ้าไม่ใจโอทิ่สีก็เหม็นเน่าหึงหมดโอ้งั้นก็ต่อไปสุสานนะทีจริงก็ขัดเคื่อบูชาต่อไปแล้วกันไม่มีอะไรแล้วจะปกติถาหาว่าติเราถึงก็ไม่มีปัญหาอะไรใช่เสดพระนั้นพระนะอพระรบนี่แสดงมันยังไม่มั่นคงนะ ยังไงหลวงพ่อหลวงพ่อยังยังน้อยผมว่านะนี่ดาวนะแต่ยี่จับวันนั้นเล็ดเทเวนต้ยอ่่งปลี่เจ็กเลยผมว่าต้องยังไงยังไงขอให้อยู่ถร้อยยีปีแต่เราขอไปก่อนไม่รอละเราถือว่าหลวงหลวงพ่อมีลูกมากคอยหลานเหนแล้วก็คอยสงเคราะห์ต่อไปอย่างเรานี่หมดสละแล้วกลับบ้านได้เนี่ย ก็เป็นอันเป็นอันว่าของต่างๆของหลวงพ่อนะฮะเก็บไปดีรักษาให้ดีแล้วท่านจะรู้ว่ามีอะไรเกิดขึ้นเนี่ยขนาดอยู่ในถุงไม่ต่อออกมาถ้าใช้ได้เรื่องครับอันนี้ธรรมดาทามาให้เก้าล้านเจ็ดทีนี้ผมก็ไม่กล้าปล่อยฮะผมสองสิบบาทพออ่าแปลกนะมันอยู่ที่บุญบารมีนะแหมอยากอยากจะให้เหมือนกันแต่แหมอัสด้ายี่อันเดียวเดี๋ยวหลวงพ่อก็เตะ ถ้าไม่มีน้ำชากินกินไม่อร่อยอถ้าไม่ได้ใช้กาแฟก็ไม่สบายใจที่ทั้งชาทั้งกาแฟวันหนึ่งก็เดินไปเทศจากเนี่ยไปอย่งกรุงเทพนี่นะรวมเมไปไปขึ้นที่อำเภอเชนาแล้วเดินตัดทุ่งไปที่อ่างทองอไปแสวงหาแล้วนะสมัยนั้นต้องเดินต้องเดินัก็เ ด, เดินไประหว่างทางก็มีห่อชาไปด้วยมีถุงกาแฟไปด้วย <laughs> ใช่ไหะไปคุ <laughs> ยกันสามองค์ระหว่างประเทศ วันนีเราจะมาเปื้งกิเลสของยากโยงจะเรากำหอกิเลสมาสิ <c oughs> แล้วปโยงยังหมดกิเลสได้ยังไงเพราะคุยของสาวองตกรก็เลยโยนกาแฟาทิ้งโยนชาทิ้งครับ<อ>แต่ ว, วันนั้นเป็นตัวมากรกินน้ำเปล่าน้ำชาก็ไม่เอาเอใช่ไหมก็มีสัจธรานจะเอ้ยไม่ใช่สัสจจเใช่ ทฤษฎีเถื่อนเลยอ๋อทฤษาเหตุเลิกตั้งแต่บทนั้นเป็นต้มาใช่ใชเลิกเลยแล้วเลิกก็เลิกจริงๆไม่ใช่ไปแอดแอไปกินอีกครับแล้วก็เลิกของนอกไปแเจ๊อข้างนไม่มีนะไม่มีไม่งั้นก็ใช้คำว่าเลิกไม่ได้ล่ะเพราะถือว่าถ้าเราไปเพื่อเรื่องกิเลสของญาติโยมแต่เราแบกกิเลสไปจะใช้ได้อย่างไรก็ต้องทิ้งกิเลสกิเลสบางอย่างที่เราพอทิ้งได้แล้วก็ทิ้งที่ทิ้งไม่ได้ก็เก็บไว้ทําไใ พูไปก่อนครับไว้เฉือนที่จะน้อยจะน้อยใช่ไหมแต่ว่าฉันเป็นคนเรื่องจิเลศครับเขาญาติโยมหนึ่งแนะนำให้ถวายสังฆทานอ๋อหนึ่งละสังฆทานตัดโลภะความโลภเป็นบันไดขั้นแรกของไปยในทานโอ้โหสังฆทานไหนว่ามันเป็นเกศศีษยังมีอานิสงส์เป็นก็ถ้ายังไม่ถึงนิพพานเพียงใดก็เป็นมหาเศรษฐีทุกชาติมหาเศรษฐีนี่ไม่ใช่เศรษฐีธรรดานะโอ้โห ต้องมีทรับเกินแปดสิบโศดขึ้นไปใช่แล้วก็การที่สองแนะนำในโยงรักษาศีลคนข้อสองข้อก็ใจถามแ้่ข้อที่หนึ่งรักษาได้คนได้เกิดไปแล้วจะเป็นคนสวยมีอายุยืนงานโรคไปไข้เจ็บจะไม่มีเห็นไหมฝากคาับรักษาแค่ข้อเดียวนะแค่ข้อเดียวนเอาแค่ข้อเดียว เปเป็นคนสวยด้วยอายุโรคภัยแค่เจ็บตัว น, น้อยด้วยๆแล้วก็ตายยากอายุยืนด้วยเดีนี้ไมย่ยืนเดิน ม, ม, นมั่งมน่อายุจใช้กขาแข็งเลยนะใหารมนะล่คุยโว่ไม่มีรมยังไงพูดได้ไงก็น้อย <c oughs> ตั้งแต่คุยมาไม่เคยเจ็บคงงนงงนนเย <c oughs> สาธุครับนครับสาธุโง่หลายใช่ถึงเวลาแล้วนะคุณก็สามารถทำได้ท่านมอนท่านหลวอก็เสลวไเดี๋ยวก่อนถึงเวลาก่อนครับนี่วัดคุยง่ส่อยส้อหออออออ คำว่าบารมีนี่ถ้าแปลว่า ก, กาลังใจเต็มบารมีท่านแปลว่าเต็มเฉยๆตอนที่เราเรียนมาใช่ไหมใช่ครับใช้ฉันก็ดังโลกมาตั้งหลายสิบปีอมีขนาดหลวงพ่อนะขนาหลวงพ่อรละบูญเหมือนกันนี่ย <c oughs> ใครถามบารมีแปลอะไรบอกว่าเต็มเต็มเต็มไม่รู้มาเต็มยังไงท <c oughs> ีนี้เมื่อปีพศอ2511 จะไล่ฟังสังหน่อยนะผู้ช้าไปนิดถึงก็ออกไปสดๆตลอดเลยเดี๋ยวชักง่วนหน้าก็ออกสองพันห้าสเ็ดะไม่ใช่เฉยเฉยนะโอ้จอด้วยก่นอนปีปอสอองพันห้าสิอ็ดวันขนาดนั้นมีนักเก็งกรรมฐานประจัอยู่สามคนแค<อ>่สามเตื้อนะโอ้ป็นพลาดเลยแล้วก็ ตอนถึงเวลาหนึ่งทุ่มก็ขึ้นธรรมาข้าขึ้นธรรมะจะแนะนำกรรมาฐานก็ปลากรอบอาจเจียงขนาดนักกระถนเอลคอดจะใหญ่ขนาดนี้เต็มไปนหนึ่งกระถนโอ้โหมาจากไหนนะพออาจเจียงเสร็จแลบนปากเสร็จโยมก็เลยบอกว่าหลวงพ่อถ้าไม่สบายไม่ต้องสอนก็ได้ เมื่อเจ้วพูดเปล่าเสยก็คิดในใจว่าวันนี้ฉันอาจจะลงเองได้สนสมั้งหรือไม่ไงั้นเขาว่าหามลงดีไม่ดีขน า, าที่หามลงอาจจะไม่มีลงใม่ใจก็ได้หเราต้องสอนฝากฝากเพราะกรรมฐานนี้ไม่ใช่สอนแต่ชาวบ้านสอนตัวเองด้วยใช่ไหมฝากวันนั้นก็เลยนึกในใจว่าอะไรดีสเสด็จนึกในใจว่าอะไรไม่ดีเท่าบารมีสิบถ้าสอนบารมีสิบอย่างย่อมีทานบารมีเป็นต้นอ่ เอาอย่างย่อกรซึ้งนลังเครื่งเชื่อโม่หลังจากนั้นก็ให้ญาติโยมทํากรรมฐานก็ดับไปไ ป, ไปบ้างอะไรยเป็นเรื่องดุ่งสามคนน่ะลูกศิษย์นะ <c oughs> แล้วก็พอเขาเริ่มทําปั๊บแล้วก็หลับตามั่งหลักตาปุ๊บตัวคิดว่าร่างกายมึงอยู่ตรงนี้อะพูไปก่อนนะเว้ย <c oughs> พ, พูดกันรู้เรื่องนั่นนะรู้เรื่องอะไรพูดอันนี้ว่าง่าย <c oughs> แล้วก็ขึ้นไปที่จุฬามณีไปหาพระใช่ไหมเขาตักพระแทนตั้งใจว่าถ้าต้นใจจุฬามณีเขาจะไปบ้านเลยไปนอนคอยอยู่ที่นั่นโั้จะตัดทิ้งใจไปเลยเหรอเนี่ยก็มันมันไม่ไหวแล้วเนี่ยที่พูดก็ต้องลดลงกำลังใจอ ย, ย่างหนักใช่ไหมกราบครั บ, รบพอถึงกราบกราบพระพร ะ, พระพุทธเจ้าโอกาสเป็บังเลยหน้าเข้ามาท่านถามว่าวันนี้สอนบา ร, รมีจิตเลยดอกครับ นึกในใจว่าเราต้องสอนผิดมีอะไรผิดอย่างถ้าไม่ผิดไม่ทัก อ, อ, อ, อ, อถ้าทักนี่ถ้ามีวิการท้ากต่อมิติเราผิดนะครับท่านถามว่าบารมีแปลว่ายัางไงตั้งเราเรียนมาบารมีแปลว่าเต็มใช่ไหมอ า, อาจารย์ก็บิดเบือนเหมือนกันใช่ไหมใช่เหมือนกันก็บอกว่าบารมีแปลว่าเต็มครับท่านถามว่าทานบารมีในกายหาอะไรมาใส่โลกให้เต็มหมายต้งว่าคนทั้งโล ก, ก น, นี่นะไม่เอาโลกใส่โลกให้เต็มเลยอ ก็เลยตอบไม่ได้ท่านก็เลยบอกว่าแกเนี่ยมันดีแต่กินเองแต่ไม่จะหลาดสอนคนอื่น น, นั่นไอ้กินเองเราเข้าใจเราก็ไม่รู้ไม่รู้เราเข้าใจนะอเออที่สงรองหรือถือว่าตั้งแต่เล็กมาทีการให้ทานเป็นประจำ ตังต้งแตเด็กมาเลยนะใน<า>เป็นนักเรียนในช่ว ย, วยเพื่อนมาเสมอก็เล็กตาเล็กมาแล้วใจถ้าตั้แต่บดมาก็ไม่มีอะไรมากก็มีจีสบงจีวอนัจีวนก็อย่างมากสองตัวสบงสองตัวพ<า>อแล้วสังกติตัวหนึ่งถ้าได้เดี๋ยวัม่นก็แจกพระที่จนกว่าทำไม่ได้มาถ้าบอกคุณนี่มันดีแต่กินเองแต่ไม่ฉลาดในการป้อนคนอื่น ธาาบารมีนี่ต้องแปลว่ากําลังใจเต็ม oh. ถึงจะถูกมีคําว่ากาลังขมาอกาลังเดิมต้นตทั้งารายทอธิบเพิงบอกว่าคําว่ากําลังใจเต็มมันเป็นอย่างนี้อย่างทานบารมีถ้าจิตของเราคิดว่าเราจะให้ทานนั่นเป็นทานาบารมีใช่ไหมทราบทราบขณะที่คิดว่าจะให้ทานอยู่ด้วยถ้ามีโอกาสก็ให้แต่ไม่มีโอกาสก็ไม่ให้ เจอคนที่อดจะตายแต่บะเอินเราไม่มีเราก็ไม่ให้แต่<ะ> ใ, จใจเราคิดจะให้คิดว่าถ้าเรามีเราจะให้นะ้โ อ, อ, อกาสมีเราก็ให้โอกาสไม่มีเราก็ไม่ให้แล้วก็ประการที่สองจิตใจของเราไม่อยากได้ทรัพย์สมบัติของใครมาโดยมาเป็นของเราโดยไม่ชอบทำ<ะ><ะ>จิตคิดอย่างเดียวว่าเราต้องการจะให้ถ้าโอกาสมีเมื่อไรให้เหมือนนั้นมีตัวเดียวอย่างนี้ถี่วาานบา ร, รมีเต็ม ไม่ยาวเล ย, ยนี่นาจะ<า>ยาวเทปเองนะสาส า, สามสองเทบุรีคึ่งมวลถวายของทานได้ไหมจะไปได้อะไรก็ยู่น้อยน้อยสักร้อยหนึ่งถ้าโง่อย่า ง, า ง, ง, งแกก็ไม่ได้เอาบบโง่แล้วเนี่ยไม่โง่ใครจะมาโง่ห <c oughs> ออะไรบุรีอะไรนิดหน่อยจะเคยกักเคื่องทานนั่นเองเอาที่ราการสมบูพระท่านนั่งอยู่พระตราชีองค์ขึ้นไปใช่ไหมใช่ครับเรามีแกงอยู่ถ้วยหนึ่ง ไม่เต็มถ้วยมีนิดหนึ่งถวายเข้าไปในวงนั้นเป็นสังฆทานมีน้าเปล่าแก้วหนึง่งถวายเข้าไปในวงนั้นเป็นสังฆทานไม่ต้องไปพูดใช่มันลบากสังฆทานไม่ต้องอีมาน้ไอมานไม่ต้อง อ, อ, อีมานิเดี๋ยวไอเตนสั ม, ม, ม่งอูว่าไงจะเล่ากรัติใ้ฟังก็เวลายัางไม่ตอบจะได้จะได้จะบอกเอาเอาสักหน่อยดีไหมครับครับครมีวัดหนึ่ง โยมจะบุญลวัดแะชื Star ่อมาสมภารยีเตครับครับเวลาถวายทานนำสมภารนำอีมานิมายังันเตโยมมาแกคิดอะไรนี่เลยอีมาวันที่ออีมานิมายังฟันเตสองวันละพูไว้วันที่าอีมานิมายังันเตนึกมาโหทนไม่ไหวจุกมาไอเตนี้มันไม่ได้ด้ว ป่าที่อิมาอิมาอย่างเดียวโอหโก้ทำบุญเท่าไรเอาข้าวไปเท่าไรแกงเ่ไรมันยังไม่ติดหัวอิมาอิมาเนี่ยโอ้โใช่ไหมล่ะอาจารนโมนามัยนี่มีเรื่องเล่าให้ฟังก็เป็นยังไงก็มีนางฟ้านางไข่เอ้ยไม่ใช่นางนางฟ้าเฉยๆไม่เยี้าคว้ากไขนะมีนางฟ้าคนหนึ่งจะมีวิมานใหญ่มากแล้วมีวิมานเล็กๆอีกสหลังสหรับนา่งเล่น ในบ้านมีในวิมบริวารรองิมานมีตนต้นไม้ทริเยอะใช่ไหมร<ะ>่มรื่นมากวันหนึ่งเขาโมกนาขึ้นไปบนสวรรค์ก็ไม่เคยมีวิมานหลังนี้มาก่อนเลยจะเพิ่งตายก็เข้าไปถ า, ถามว่าใครเป็นเจ้าของวิมานหลังนี้เจ้าของวิมานก็ออกมาเคยถามว่าถ้ากินนี้ดูก่อน น, ออน้องหญิงในเรื่องพระชนะ วังนานจะไปเรีเด็กของเขานาอย่างข่าวทุยมา่พเจ้าก็แค่สั์นี้เหมือนกันไง อ, อ๋อพระกินิดูก่อนน้องหญิงอยากจะสร้างว่ามัสมัยที่เป็นมนุษย์ทามุนอะไรไว้วิมานใหญ่แล้วก็สวยมาไมีแสงสว่างมากส่วนม้อก็สวยแลมวมีมออไไีมีนีมีมีมีมงมีมีมังีมีนเมีมีมอมีมีมีมีมีมีไหมีัีมีมีมีมีมีมีมีมีมีมีมีมีมนเีมีมีมีอีมวมีมีมีมงมีมีมีมีมีมีมีมีมีมีมมี แต่ผิดถนัดฉันเป็นเพื่อนของนางวสาขาแต่ฉันไม่เคยทำบุญเลยโอพูดหน้าตาเฉยเลยนะหน้าตาเฉยฉันท า, าทําบุญแม้จะบาดสักปีหนึ่งก็ไม่เคยใส่บาตรใช่ไหมแต่ว่าท่านนางวสาขาทําอะไรฉันยินดีด้วยโมทนาด้วยอาศัยแค่โมทนาเท่านั้นฉันได้มีมายขนาดนี้มีความร่วมมือกับมัยขนาดนี้ <ừ. S 1> เห็นไหม นี่คนที่มีปัญญาปัญญาบรารมีถ้าท่านที่มานี่ทั้งหมดถ้าบังเอิญไม่มีเงินถวายสังฆทานกับเขาสังฆทานก็ร้อยบาทแต่หากว่ามีเงินไม่ถึงร้อยบาทเอามาใส่ขันช้างหน้าวางข้างหน้านะทราบทาบบอกก็ เ, เขียนใส่ซองเอเขียนถวายสังฆทานใช้ได้เลยสิบบาทก็ได้ห้าบาทก็ได้รถเรือต่างก็ร้อยก็ใช้ได้นะบาทเดียวก็ได้ เพราว่าถวายเป็นสังฆทานอย่างนี้พระต้องใช้ในส่วนของสังฆทานอ oh. ใช้เป็่นไม่ใช่เป็นส่วนตัวพระาอวงนรกแทนเ oh. ขาบอกเขาถวายสังฆทานนี่เขาได้บุญทันที mm. นี่เราต้องเุ็นคนฉลาดนิดหน่อยนะ oh. ที่เราให้มาต้องน้ำพระอดใยนะ <laughs> <laughs> น เลี้ยงมาจนหมดสมัยแล้วก็ถ่ายงูเลี้ยว น, นั่งสาทุก <c oughs> ลอยแย่เลย <c oughs> นี่กาลังวิตกำลังต่อไปก็จะมีลายเดียวนะถ้าถ้ามีปั ญ, ญญาอีกนะมีอันนึงที่ดีกว่า น, นั้นอีกมีหลายประการนะกันเนาะที่อันหนึ่งก็คือช่วยเหลือในการงานที่เขาถวายสังฆทานมญญาอย่างญญาพวกญญที่ลําเลียงสังฆทานไปแล้วสังฆลาเลียงสังฆทานมาเนี่ยยกมาแล้วก็ช่วยยกกลับอย่างนี้ท่าเรียกวิทยาวัจก่ออนอ เพาะว่ายาณจะใหม่บนต้นเดชกรารช่วยเหลือนก่ายรงานใช่ไหมครับ <ๆๆ S 1> อย่างนี้มีอานิสงส์ต่ำกว่าเนนบริสุทธิ์นิดเดียวอัน <ๆ S 1> <ๆ S 2> ในวิมารวัตถุพูดในพระไตรปิฎกนะสมเด็ที่บริสุทธิ์อสินไม่บกพร่องจะบกพร่องไม่ถึงนะ <ๆ S 2> <ๆ S 1> ถ้าสินไม่บกพร่องเลยบทเนนตายจากความเป็นคนไปนเกิดบนสวรรค์จะมีบริวารหนึ่งหมื่นคนๆๆ ท, ที่ร้องลงมาจากนั้นก็มีวยยาวไปจากก่อผูอ้ช่วยเหลือการางานช่วยขนถังน้ำถ่านช่วยขนของก็ทำงานมีการทํ า, ทาบุญนี่นะมีว<อ>ิมานมีบริวาร 8,000 คนร้องลงมาโอ้โหไม่ใช่น้อยนะใหญ่พวกเนี้ที่ขนของนี่มันวันละ 8,000 ัวันละ 8,000 นับไปไหว ต่อไปเป็นท so, in oh oh oh. oh. uh er> ี่เลี้ยงเหรอต้องส่งไม้ฉันแันรับเละเอาเอารับหมดของเก่าของเก่าเพราะฉันลูกไม่อินอ่ะอันนั่นแหละรับหมดนะรับหมดสาวโอ้โอใครเลี้ยงไม่ได้ส่งมาสาวโอ้ส่งเคราะหมดเลยส่งเคราะทุกคนเดี๋ยวก่อนอะไรนะครับชาร์จเตอร์ดิ้งก่อนอ๋อลึกว่าอะไรสิชาร์จเตอร์ดิ้งอ๋อ นี่สงสัยจะเป็นมรดกหลวงปู่มาให้มาใช่จีอว่าท่านเข้ามัอกครับปรรรเป่าอีน้วทําไมเออกูไว้ให้มึงพ่อฉันมาทําไมกูไว้ให้มึงมันบอครับเวลาไปไหนก็ตามเวลาหน่อยนะครับที่บอกไปสิบห้าวันพอถึงวันสิบห้ามีส่งข่าวแล้วข้าไปต่อไอเราก็บอกแขกนี่ก็ไปวันพ่อจะไปตอนอะไรเข้ามาให้เมื่อเขาไปพบ ก, ก็ต่อว่าเราใช่ไหมโอ้ใช่ครับ อพอหลวงพ่อจิตหลังไปไหนก็ตาเวลาหน่อยไ้หมครับเออกูจะให้ไวให้มึงโอ้พรูทสกมึงเอาไวทุกอย่างโอหลวงพอได้รับทุกสายมารดกเลยอันนี้มากกว่านี้ในก่อนส่ ง, งสารางเหมือนกันพ่อทำไปถึงไหนครับพรโทษทีไปทำในสุง่งในท่าลแล้วก็เหนื่อยเราต้องทำท่าสมัยนีย้ทันสบายที่วัดนะครับก่อนมีช่างคนเดียวในช่างตททั้งหมดใช่พระทเองเลยหรือทพระทำเอง อพอไปบอกว่าหลว ง, งพ่อสร้างเพื่อทไมแล้ววะใช่รู้บาทีส่งลรไปนาำก็าห า, ากินยากยังไปไหว้ถือมี่วัดอะไรนะให้ถือผมชื่อชื่อ<ล>สวยจริงมฟ<ห>ังชื่อดูกัะแล้วกันไม่อยากไปเลยนี่นะไป็นไงวัด น, นั้นครับหน่าแล้งน้ำก็าห า, ากินยากมีเงื่อนไขว่าโบสถ์หนึ่งหลังสาะหนึ่งหลังแกต้องสร้างไอ้เส็ษไฟได้สองปีน ถ้าเราก็แน่แน่ยังไงเขาทำสักปีเดียวเสร็จก็สร้างสลาขึ้นไป่นแ่ลังคาแบงของไหมสร้างโบสถ์หรือคาสลาโอแน่โบสถโลดลัดก <laughs> ็เสร็จเรียบร้อยแล้วก็บอกหลวงพ่อครับเสร็จเรียบร้อยแล้วมึงสร้างยังไงวะปีเดียวผหลวงพ่อไปดูก่อนห้ามห้ามห้าแยง้งใช่หมับครับท่านก็ไปต้องนั่งเกวียนไป อเขาใช้กล้องสองทางกายบองน้้ยมันสร้างบสถที่ไหนสลาที่ไหนว่ากูเห็นหลังเดียวนู่ะเขามาลาต้องสองขึ้นวะมันต้องสองสองสลาหลังบนหลังใช่อหมนั่นสิครับแล้วก็เร้โบสถ์ไหลังคาสลาโชคดีท่นดีครับครับ <c oughs> อ้ <c oughs> อบเพียงกล่กลอ๋อมึงทําอย่างนี้มึงโกงกูนหนูวะบอก <c oughs> ผมไม่ได้โกงมึงพ่อมันสวยดีบอเออใช่ได้ใช่ดได้ ก็แต่วันนั้นไปจนมาแล้วเรื่องอะไรสามตัวไอลิงมึงมึงมึงดำกับเขามึงชื่อไอลิงดำไอเด็กขาวมึงชื่อไอลิงขาวนี่ยตัวเล็กนี่ไอลิงเล็กก็แต่วันนั้นมาแล้วชื่อไอลิงคุพระตะวันตะวตะนสวกด็ไปท่านถามว่าพระทหารสองค์ไปไหนก็เออตามไอสาลิงวไอลิงขาวนี่ดำไอลิงเล็กอะพอถึงกษัตริย์เาก็พระวรบอกว่า พออครับมีพระนะครับนั่นแหละเนี่ยเวลานี้เป็นพระไม่ใช่ก่อนเป็นลิงอราจะมาสาอำไมเพราะเขาให้มันไปสร้างโบสถ์หลังสลาหลังสองปีเสร็จการทำยาเขาสร้างเสร็จมันตันสร้างปีเดียวเสร็จจะเเรียกไม่ลิงทาไมมันลิงโอ้จไม่ดีไงพระราชนามก็เลยได้แต่ประวัติแต่ได้มาเออวันนี้เปประวัติเลยนะครับต้อรู้ประวัติวันนี้เองนะจะไม่ดีนะชวรคนสอบถามบ่อยๆครับครบครั วัดไอ่ถึมเหรอถึจังหวัดไหนก็หลวงพ่อครับจังหวัดสุพรรณบุรีโอ้่าดไปอย่างอะไรครับมีแตไอถึงอีถึมไม่มีนะน่าจะมีอีถด้วยนะใช่ยุหลังนีจะมีหลายวัดเอาเรียนแบบกะทำโบสถนทรลาบสใช่ง่ายกว่าครไอโบส์ลงราคาถูกครับ ใตรงนี้รักษาอยานี้ไมประยัดไปเยอะเลยปยัดเยอะเยอาบเท้าณมัศการพระเดชพระคุณหลวงพ่อที่เคารพอย่างสูงถ้าเบาเบาโยมเขาจะทาปัญหาแล้วใครคุยแข่งกับพระคุณหลวงห้าร้อยชาติโอ้สาธุราบสมัชการพระเดชพระคุณหลวงพ่อที่เคารพอย่างสูง อลูกเพือหมู่บ้านพ่อกมา้อาอําเภอวัตทิวจังหวัดสุพรรณไว้ก็ปรากฏว่าเมื่อไปอยู่แล้วไอ้วิญญาณอลาวาดาาปศสามศูนย์เป็นต้นมาเอาไปสี่ศพแล้วมันบอกมาเจ้าอีกวันนี้ลูกถวายสังฆทานถึงห้าชุดให้มันมันไม่รู้จะเอาโหสิหรือไม่เรียนถามหลวงพ่อว่าจะมีวิธีการแก้ไขอยังไรล่าง น, นี้แล้วนนะรรับ วันทีทานให้ชุดใช่ไหมแล้วครับรับไปแล้วไปเทวดาฉันยามาไอฉันฉันนิมานะดีครตัวเออหมดเลยตามสี่พอเรื่องกนไปล่อรถสี่ศที่สี่ศกเออความจริงถ้าบวงสวงสักหน่อยนะจะหมดเรื่องโอ้เพิ่าไาวนะมันนอกม่นน้ำม่นร้อยหน่อยเนี่ยใช่บวงสวงเรื่องสักหน่อยหนึ่งก็หมดเรื่องกันครับครับ นี่เนี่ยเนี่ยตรงตรงใจนึกเลยโยอมอยู่นั่งกลางทางใจโยมจ้ะลาบเท้านมัสการหลวงพ่อที่กรรพบอย่างสูง<ด> อ, อความจริงก็ไม่อยากจะรบกวนนะลุงพ่อหรอกแต่ก็เกรงใจที่จะต้องรบกวนอ๋อครับที่ตัวจะไม่รบกว น, นเนี่ยขาถามหน่อยค <laughs> ืออย่างนี้จะท่าซื้อที่ดินไว้ขนาดนี้กําลังจะตกลงกันไปที่เรียบร้อยแล้วมีปัญหานี้เดียว ลูกเดบุญองค์สำเร็จองค์ผสมไว้สำเร็จเียบร้อยแล้วลูกจะถวาย1นึ่งแสนบาทให้กับหลวงพ่อไปใช้จ่ายาที่วัดท่างสงขอพรจากหลวงพ่อว่าขอให้ลูกประสบความสำเร็จด้วยเถิดเจ้าข่า–อย่าลืมนะอะไรคนระับ–อย่าลืมนะที่บนแม่ <c oughs> เอ๊ะทำไมหลวงพ่อ <c oughs> ถึงทุกสายคงจะมีคนเบียวียวเบบิ้วลิ้นหลหุนแล้ว <c oughs> ถ้าเป็นลายสำเร็จนะับตาให้แน่สำเร็จแน่ให้ไม่แน่ไม่สำเร็จโอ้ไอ้ก็ใจบังอ่าไี่จริงจริงไอ้ตอนบนเท่านั้นเท่านี้เท่านั้นเท่านี้พอเสรแล้วเฮ้เฮแเ้ะาทีไปถามหลวงพ่อฉันบนอะไรบ้างอ้าวเสร็เลยโอคนประเภทนี้ก็ไม่ในโลกไม่หลายคนไม่ยมีคนเดียวครับๆรัคนละจำไม่ได้บนอะไรบ้างโอ้ราบ อาหลวงพ่อจะขาโลกจะมีโอกาสมาช่วยอะไรเวียยวัดจ ะ, จะยกเหรอเออเอาละสอย่างโยวันนี้น่าดูนะเพราะหลวงพ่อบอกว่าเรื่องยกไทยสงแล้วโอ้โหข้านต์เตเอียดเลยลได้กำไ ร, ไ, ไ, รได้กำไรได้กำไรจริงๆนะเขาได้จริงๆไม่ใช่หลอกเล่นนะเหรอครับปวันแปหมื่นเลี้ยงไว้วโอ้โหคนเลกว่ายกข้างนอกจะได้บุญมากกว่ายกข้างในก็เลย ขางในข้างนอกเต็มข้างในมีวันนี้กลับข้างในยเยอะกว่าข้างนอกโอ้ไอนไ้ผงจะเท่ากันหรือเปล่าครับข้างในนอกเท <c oughs> ่ากันเท่ากันไดรข้างในที้อายเลยไอ้สองแบบก็มาช่วยเวยาวัจจะไม่อก็ปรากฏว่าบางครั้งก็ทำ ร, ทรูปหล่นบ้างไอ้ที่หล่นมาก็ไม่เป็นไร ล, ละ่ะค่ะมันอะท่านพระเดชลงมาบนหลังเท้าของลูก ปัญปวดเจ็บตาโลตาเลยเลยโหดหนักเลยอที่จะกราบเรียนถามก็คือว่าหนึ่งจะเป็นบาปเป็นกรรมหรือไม่ที่ทำลูกสาวลุกล่นใส่ขาตัวเองไม่บาปเป็นไม่ไม่เจตนาโดยไม่มีเจตนาสองแสดงว่าลูกจะมีเคราะห์กรรมหรือเปล่าที่ท่านล่นอย่างไม่จะโดนอีกอางห่งไม่ดีไม่มีใช่ไหมใช่ถ้าบุญไม่มีกรรม ใ้แต่กุศลกรรมกุศลไม่มี ว, ว่ามาตั้งใจทำใช่ไมใช่ใช่ๆช่รหลอดไฟหลวงพ่อเจ้าขาไม่รู้ว่าเป็นยังไงทั้งทั้งที่ลูกก็ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบบุญก็ทำความดีก็มีสินทานครบทุกอย่างแค่ว่าบาังเอิญในที่ลูกทำงานอยู่ มันกล่าวหาว่าลูกผิดการมเม่ทั้งๆ ท, ที่ลูกก็ไม่เคยไปเม่กับใครเลยทําให้ลูกเดือดร้อนลํำพานใจระงับอารมณ์ไม่อยู่ขอบารมีหลวงพ่อช่วยแนะนํนมมาธรรมะเพื่อแก้ปัญหาอารมณ์หมุดหิดกาเมของลูกด้วยเถิดเจ้าค่ะก็เบลขา á, บางเฉยไว้ถ้าเราไม่ได้เม่เขาบอกเม่ก็ไม่เมี่โอ้ที่เรานี่ยก็ใช้ใช้ขาอัติเบรคขาเหรอขาบางเฉยไว้ออ ใช่ความจวิงก็ร้อาคนภาพเก่าครับมันจะนินทาแล้วได้แปดีแปดีแปดเดือนได้ยังไงนะใช่ตู้หลวงพ่อไม่ได้ใครว่าอะไรก็เฉยก็เป็เฉยหายใจเรือยยังมีอารมณ์ยังมีอารมณ์ข้าวหลวงพ่อที่เคารพอย่างสูงการละสังโยชนิปรการที่หลวงพ่อแนะนำนั้นกระผมมีความมั่นใจ สามารถยึดสามข้อหัวหาดได้แล้วพอรับมีบ้างฮะมีบ้าเอ๊ะหัวหาดเพิ่งไดอะไรหัวขาดหัวถัวยึดหัวหาดได้แล้วขณะนี้ผมกําลังห้าหันามมา่นกามฉันทะกับปฏิฆะรู้สึกว่าหั่นได้ครึ่งเดียวเดี๋ยวมันก็เกิดกว่าเดี๋ยวมันก็ดับเดี๋ยวก็สู้ได้เดี๋ยวก็แพ้ เพราะฉะนั้นจึงขอพึ่งบารมีหลงพ่อช่วยแนะนํายุทธวิธีว่าทําอย่างไรจึงจะชนะได้นนเด็ดขาดผมเอาจริงนะครับค่อยๆไปขอค่อยๆนะค่อยๆไปอย่ารีบอย่ารีบเกินไปโอ้โอ้ธรรมะบางอย่างนี่ต้องค่อยๆประตูนี้ตุนหนักโอไ อ, อ, อ้การะฉันการะฉันทากปฎิกาณเนี่ยครับใอ้ใช้อสุภกรรมฐานกับกายยกตันรุ่นติเสมอเห็นว่าร่างกายคนเขากระโลแล้วก็พัง โอ้ครับตายตาตาตามันต้อติดก่อนละอ่ะผู้ภากับมาตรฐานใช่ใช่อก็ ต, อตกลงว่าถ้ตาตามนี้ได้แล้วไม่ไมช้าก็เสร็จได้อ่าหัจะไปนั่งรหัสน้ะหมดเป็นวิทย ใ, ใส่บาทสิไม่เป็นไรทำไมอ่ะฉันก็ออไปวิบาทเจ้าดึงโหโลกคนนู้นเป็นวิยใส่บาทใช่ใช่ สำมบรณ์นาเตียวเลยนะอ้าวนะมันปกติแล้วนะเคยกินข้าวกับเทวดาในป่านะที่นี่จริงพ่อเหรอใช่สมั ย, ยตุ้ดงอ้าวนั่นเป็นความเดี๋ยวๆขี๋ยข อ, ข อ, ข อ, ขอที่จะไปยังไงไปยังไงมายงไงขึ้ขันได้อ่ะเขาเดินไปเดินมาอันนั้นอ่ะใช่แล้วแต่แต่ว่าเพิ่งข้าปิดไงตู้ดงเข้าปิดเขาไม่ไม่ไม่พบบ้านถ้าหากว่าเทวดาไม่ให้กินลูกไม้ เทวดาจก็ให้แต่ว่าเผลอไม่ได้นะเผลอเผลอไป่ได้คิดว่าเผลอเผลอจะให้ตามาฉันพระโทสะโมหะเผลอไม่ได้นะพราพับเผลอแล้วจะเผลอเลยเพราะอย่างนี้นี่วรรคาประการถ้าเผลอไปอารมณ์ไปเจาะเขาปั๊บเท้ามาดื่ข้าวไม่ให้กินโอ้แปลว่าไม่ต้องต้องไม่เลยครับโอ้ทำให้เคร่งขัดใช่ประการทีสองที่ต้องเคร่งว่านอกจากเทวดาจะไม่กินข้าวแล้วถ้าเผลอเผลอกินอีก เอาตุ้มกนาดีเลยนะครับใช่ใช่เออไม่เคยเกิบมายังไม่เคยเห็นเลยว่าข้าที่เทวดาให้ด้านหนสีอะไรรสไงครับชิ้นลี้งนิดหนอยหวานหวานนิดหน่อยให้ข้าวให้ข้าวพร้อมกับดอกไม้สวยๆหดอกแล้วก็อะไรกับข้าจะเป็นมูเห็ดเป็ดไก่่มีอะไรเทวดาไม่มีเมืเทวดาไม่ไเเป็ดไก่มู็ดอาก็ทานขาเปล่าั้เหรอครับก็ไม่เปล่าอ่ะบอกจะจีบกับใครก็ไม่รู้กมีสีเหลืองอ่ะโห้ทานก็สีเหลือง โอสีเหลืองเหลืองนะฮะเหลน้อยๆนะครับแล้วก็เวลาเวลาพ่อถ่ายความเป็นยังไงเป็นสบายดีาวเทวดาเวลาถ่ายแล้วเป็นยังไงถ่ายเป็นขี้มานี่ตอบภาษาไทยเลยข้าคนไทยโอ้ตกตลงว่าชีวิตของพ่อได้ฉันความจริงเท้าไส้สบายลูกไฟก็ไม่มีน้าก็ม่สยาดจิตใจรุ่้นื่นดีมากโอ้ ในป่าได้พอจะได้ฟังได้สดสมมติในเมืองนี่ถ้ามีสาบัติแล้วตนไี่จะพอ ม, มีเป็นไปได้ไมใช่ถ้าไม่มงใครใ ห, ให้จริงๆน ะ, ะ ถ, ถ้าไม่มีใครให้จริงๆนั้อยู่ด้วยธรรมะปรีดีดีกว่าไม่ต้องาาอมีสมบัตแล้วไม่ต้องกินแล้วไม่ไม่ตายอะไรหรือให้ผอมให้ผอมด้วยใร้อมด้วยชื่อพันดีกว่าด้วย ทำพิธีอ้่นเฉยนะครั บ, รบเป็นปรีก็ยังนั้นไม่เป็นไรนะมหาปจจัน์ก็นาดนี้ใช่ใช่โอ้อันนี้ต้องเอาิงจริงกกครับส่บงความว่าต้องมีฤทธิ์บ้าเก้าสาทำได้เก้ายเก้าครับใช่เเดียวโอ้ครับคับคบอเอาละดีใจด้วยนะที่อุตสาได้พกข้าวเทวดาล็กข้อรักผ ม, มสงสัย เรื่องอะไรนะนางสาตะกีเทพปติดากับสงสอะไรนะพระติสาลูกพ่อเคยลงอ่านในธรรมดีโมว่าสาตะกีเทพปิดาเห็นสีเห็นสีเหลืองเหลืองคล้าจีวรพระแล้วก็เห็นอะไรวัวลูกอ่อนเหรอวัวแม่ลูกอ่อนขี่ตายไปเกิดสวรรค์แล้วส่วนพระติสาแก้ก็เห็นจีวรเหลืองเหลืองเหมือนกันแต่กลับตายแล้วไปเป็นลายปเล่น เหลืองเหลืองเหมือนกันทำไมตายแล้วไปไม่เหมือนกันค อ, อารมณ์ไม่เหมือนกันอ่ า, อาู่ตรงนี้เองเหรออารมณ์ของสาวตะกีมทราบทราบเขาคิดว่าดอกบกบผมสีเหลืองมันดอกจิวรพระราบตั้งใจจะหอมบูชากระดูกพระอรหันต์ออแต่ว่าพระติษานั่นแค่ห่วงจีวรจีวรแพ ร, ร่ที่สาวส่งมาต้องการจะห่หมใช่ไหมทราบทราบปวยไม่ได้หมที่ใจมนติดกัดที่นั่น ตายแล้วจิตต้องอยู่เริเปณเไรถ้าไมจุวันเจ็บวันตายพอเจ็นวันตายก็ไปสวรรค์เช่นดาวพิงอ้าวโอ้ไปได้เหมือนกันเหรอไรได้โอ้จิตนิเดียวใช่ไอ้อย่างนี้ก็ลูกหลานเนี่ยเวลาก่อนตายเกิดห่วงสมบัติพระสถานขึ้นมานี่ก็ก็ไปเป็นงื่อเหลือมโอ้ถวายสังฆทานจะหล่นแต่ตายเกิดห่วง ตัวโตๆตตหน่อยเ<ฆ>นื้อมากๆหนัง ม, กมากๆขายดีราคาดีโอ้ของเจ้าอร่อยมันอุ่มปุ้มต็มแม่เหมเลย <c oughs> อราบทบอย่างนั้นอย่าห่วงนะครห่วงสมบัติภาัตานารีบสวายวัดข้าตรงฆ์ห้หมดนะครับรับหปารับตอไวเลนะครับบอกลงว่าอารมณ์ไม่เหมือนกันนะอารมณ์ไม่เหมือนกันครับอารมณ์เป็นกุศลจากกุศลจึงตายแล้วไม่เหมือนกัน หลวงพ่อขอ ร, รับการทำบุญวิหารทานโดยเฉพาะอย่างยิ่งเคยร่วมกุศลไปกับวิหารแก้วร้อยเมตรของวัดท่าซุงที่ก้ผมสงสัยก็คือว่าอย่างนี้ทำน้อยเกินไปไม่ถึงหมื่นบาทคนอื่นเขาทำเป็ น, นแสนแสดงว่าอานิสงส์ที่ผมได้ก็คงจะน้อยกว่าเขามากหมวพ่อรับผมเสียใจอยากจะทำต่อไปอีกแต่ว่าการเงินไม่สะดวกเลย เอานี้ก็แล้วกันยังไงล่ะครับพ่อตายไปก็มีมายแก้วเหมือนกันแต่หลังเล็กหน่อยแต่ถ้าอยู่ที่มายแบบนั้นนะห้ามแก้ผ้านอนนะต้องไม่แหะครับมันจะเห็นหน้าตัวเองเลยก็โอ้โอ้ก็เป็นกระจกใช่ใช่ใช่อย่างา <im itate> นี้ก็ต้องซื้อเก่งไงสวัยพระเราตายไปอยู่นิทานเราจะได้มีเก่งใส่นะโอ้ โอ้มีวิมารเหมือนกันแต่ว่ามีวิมารไม่กันอาจจะย่อมลงไปหน่อยงันนะถ้าตายไปเกิดเป็นคนก็จะมีประสาทแก้เจตนาการอย่างโสดิกาเศรษฐีหลังนั้นแค่แบบโสดิกาเศรษฐีมาสร้างแล้วก็รูปแฟนแสนสังนี่หลวงพ่ออะไรคิดเองแล้วทําเองก็มายังไงไปยังไงมาไงอะก็คิดเองถ้าไม่ได้ทําเองช่เขาทำโอ้โโอ้ถโอ้โไม่เสียงไม่เสียงพราะว่าพระเจ้า่าสั่ง ส่วนสัตว์ต่างๆนั้นสั่งหมดทันไม่ต้องคิดอะไรเลยครับครัเอาแบบไหนท่านสั่งแต่ผู้เดียวครับพอแล้วก็เวลาสั่งนี้มีภาพแสดงให้เห็นว่าทำยังไงมีภาพให้ดูโอ้นี่หน้าเราดีไซน์แบบออกมาเป็นพุทธแบบจะยังถึงได้สวยงามปกครองวัตถุท่าทรงนี้ส่วนมากจะเป็นแบบของตั้งแต่ปี21พุทธแบบ21เลยละครับใช่ ถ้าตอนนั้นถึงจะเริ่มสร้างถ้ให้สร้า ง, างต่อครับครับแล้ว บ, บ, บ, บอกการเงินไม่มีแล้า บ, บอกไม่เป็นไรฉันจะหาเองโอ้นั่นถ้าปฏิสธสองหนังต้นมาใครสามุิจะถือว่าทํำบุญตรงรู้เจ้าโอ้เพราะว่าเป็นงานของพระองค์ท่านนี่ยใช่ครัหาตั้งค์ไถ้าโกงก็ไม่ได้นะทำไมล่ะครับรู้ด้วยอย่างมาที่นี่จะได้เท่าไรบอกประเสร็จหมายความว่ายอดเท่าไรด้ใช่บอกเลยแล้วเมื่อเสร็จงานแล้วนับนับต้องได้เท่านั้นถ้าน้อยกว่าโกง อย่นีลูกพ่อก็ไม่มีทางแอะแอะเล ย, ยจะมีงานทุกงานเธอบอกยอดสอนโอ้ยอย่างนี้ก็แฉวเลยแมพระองค์ทรงรู้ล่วงหน้าอย่างนี้ก็ <c oughs> <c oughs> ไม่อยากถามเจ็บใจหนึ่งห่งถ้ารู้เป<อ>็นกันแต่พูดไม่ออกอ <c oughs> เอาละไม่ถึงตายยกรงมนกก็แล้วไป <c oughs> ลาโอ้โหปัญญายิ่ไม่กระผมเป ลูกเสร็จมาใหม่จากเมืองราชาบุรีโอ้ว่าไงล่อเขายาวเหยียดเลยเอา้าวสรุปโดยใจความสั้นๆก็คือว่าอย่างนี้ผมบอกหลวงพ่ออย่างไม่อายเลยว่าเวลาผมมาทำบุญกับหลวงพ่อเนี่ยนะผมกู้เขามาทุกั้งแล้วผมก็ให้ดอกเกลียตตามตามตัวบทกฎหมาย จะได้เหตการที่กระผมนำเงินกู้มาทําบุญอย่างนี้กับเงินที่หาด้วยน้ําพักน้ําแรงจะ ม, มีอั น, นสมเหมือนกันหรือเปล่าลกูรก็อย่างเดียวกันอก็ต้อไปหายชำระหนี่เท่านหนอเหมือนกันก็เป็นเงินของเรากู้เข้ามาไม่ได้โกงเข้ามาไม่ได้ขโมยเข้ามาเลยจ้าหลวงพ่อกรับกระผมซื้อรถบรรทุกหกล้อมาตอนแรกแรกที่ยังไม่เจอหลวงพ่อ แม่ายรับรายจ่ายทักหน้าไม่ถึงหลังปัจจุบันนี้ผมก็เลยใช้ลูกหมากของลุงพ่อไปยันหน้าว่าให้ดิซีค่ความเขาเปรียมท า, านมักไม่น่าจะเป็นหน า, นาอลยลืมไปโอ้จริงแย่จริงแย่โอ้ ย, ยงมีนิดเดีย ว, วยภาษาไทายนี่แปลก น, นะ แค่ชานหมา ก, ก็ลูกหมากไม่ไปคนละโลกเลยโธ่ของพระของเจ้าเอาไปยุ่งด้วยนะเอาเรื่องชานหมากดีกว่านะใช่ใช่ลูกหมากมันอันตรายมีน้อยอยู่ด้วยชานหมากเอาชานนะเขาเปลี่ยนเป็นชานเลยชานหมากของหลวงพ่อไปยันไว้ที่หน้ารถตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมา หลวงพ่อรับอย่าให้แทบเลย p ิ i n สบายขอกราบขอบพระคุณหลวงพ่อมาในโอกาสนี้ด้วยว่างๆกระผมจะนํารายได้อันมีมหาศาลมาถวายหลวงพ่อขอหลวงพ่อรอรับต่อไปเถอะเถอะก็รับเอาให้ดีกว่าสอ น, นน้อยๆดีกว่ารอรับยัไม่ให้เลยพี่โตไม่ต้องลูกสาวลูกหมาไม่ต้องลูกเลยยังไ ง, งจอมถวาย ออผ่ อ, อ, อนอ ย, อ, ยอย่างนี้ดีกว่าทุกๆเดือนมีมากมีน <ละ S 2> ้อยมาถวายนี่ดีกว่าค่อยดีกว่าให้ประเภทบอกว่าล้อให้ครบหนึ่งแสนสามแสนคนมากคนนก็ได้เกี้ยเลยนะร <c oughs> ู้เอารู้ใจอ่าฮะับมันก็ผ่านไปเออหลวงพ่อขาโรคของใสนของสายเกี่ยวกับเรื่องอะไรสัมผัติดาไม่สัมปสิสามิคบตรงโน้นตรงนี้โดยเฉพาะ อ, อย่างยิ่งพบที่ในหนังสือสามีโมก ไม่ทราบว่าอ right ันไหนถูกอันไหนผิดใช้อย่างไรประการใดขอขอบรารภีหลวงพ่อนี้เจีกราถถูกทังสองอย่างเอาเลยคือธรมะติชามิกันธรรมจิตชามิผลกลับอยังก็ทำมานะฝูฝูกระแบบแล้วธรมะติชามิกันท่านก็ทำมาไม่เข้าตัวอธรรมจิตชามิผลกลับเพไปหายกของไอ้ที่เรีกเด้งกลับเด้งกลับเลยใช่ใช่ใช่อสธรรมะติดนะใช่สรรมะติดเด้งกลับ เรื่องคัดถาเงินล้านที่หลวงพ่อมอบหมายไปดันก็ยังสงสัยนิดเดียวเพราะว่าสวาผมและสว่าหมูนี่ไอ้ที่สงสัยจะทำงานอยู่กับทรวงการเมั้งลน มัมััูกเพงสอ ง, องอย่างมั้ยไงตัวอย่างเดียวผมโหมเหรอใช่ตัว <laughs> สวางโหม่ออตัอต้งลลีก็ไม่มีตัา้าแล้วลีอา่านโหมะโหมะนะใช่้าภาษาไทยอ่านโหม่หรใช่เออเนี่ยมันจะเข้าตะกุงสายคนนี้คงจะเป็นญาติญาติจับจนชาวเมืองโคราชีตอนที่กรถาออกใหม่ใหม่สรรพยาาปรายันติ เพื่อนฟังผิดไปสับเพยักขาปลายันติเจ๊ก็ได้ผูขาู้กินปลาร้าทุกวันนี่เอ่อปลาล่ากระได้กันนะตกลงสว้าหมนะใช่หลังสโนหมนะไม่ใช่หมูกระตูนกระลาหมูอย่างนี้ก็มีด้วยโอ้ยหลวงพ่อคะลูกรู้ว่าความโลกไม่ดี ความโสดก็ไม่ดีความหลงก็ไม่ดีลูกนําคําสอนของหลวงพ่อไปเผยแพร่ครูปฏิบัติได้ผลปที่น้าพอใจยิ่งแก้ว่าลูกเองไม่ลดลงเลยแสดงว่าไอที่สอ น, นเขาเอาไปหมดทีนี้ลูกถามมันนี่ไม่ใช่อะไรหรอกค่ะรู้ทุกอย่างแต่ทําไมลูกปฏิบัติไม่ได้สักอย่างหนึ่ง <c oughs> เออสอนเขาได้ก็ยังดียังดีเหรอครับจะสามารถสอนเขได้ แปลว่าให้เขาหมดตัดตัวเองก็ยังไม่เหลือดิครับโ้โลภะความโลภตัดได้ใช่ไหมตัดได้มันตัดจากเขาก็โดดมาหาเราโอ้โทสะความโกรเขาตัดได้โดนมาหาเราคตาความหลงเขาตัดได้โดนมาหาเราคตาไม่กันด้วยก่อนนี่โอ้ต้องสัมผัสติดขาไม่ได้เลยคถาบทในฝ่ายลูกพ่อเจ้าขา ผู้ที่ใกล้จะถึงแก่ความตายโดยปกติมาทําบุญที่ซอยสายลมก็ปฏิบัติตามคําสอนของหลวงพ่อเช่นให้นึกถึงพระนิพพานเป็นอารมณ์ทั้งตอนเช้าและก่อนนอนอันนี้ก็ปฏิบัติจูเป็นประจำแต่บางครั้งก็มีอารมณ์โกรธเกี่ยวกับลูกหลานภายในบ้านบ้างลูกไม่มีความมั่นใจว่าเดี๋ยวโกรธเดี๋ยวนิพพานผสมเสศนเปรย์กันอย่างนี้เวลาตายจริงๆไม่รู้จะไปทางไหน อยากจะพึ่งบรารมีนิมนต์หลวงพอ่อล่วงหน้าไว้เลยว่าพี่ตอนลูกจะตายนะขอนิมนต์หลวงพ่อไปอยู่ใกล้ๆด้วยนะจ๊ะคระอันนี้เวลาจะตายก็ไปบอกก่อนนะแ <c oughs> มมนี่ตอบย้อนก่อนเลยนะ็ <c oughs> จะรู้ได้ยังไงอ๋อจะเป็นไรแล้วปฏตินี่ถาทัานสุนิพานเป็นลมอยู่อย่างน้อยที่สุดก็ไปสวรรค์ได้หรือไปพรมได้ ถ้ า, ถาอยู่สวรรค์รรมก็ต่อนี้พันเลยไม่แั่บาแล้วกรับรบก็ไป น, นันแล้ก็ยังดีนะหนูได้ภาพพระวิสุทธิเทพและภาพหลวงพ่อไปติดที่บ้านและหนูขอเป็นสาวก ข, ของพระพุทธเจ้าและฝากตัวเป็นสาวกลูกศิษย์หลวงพ่อด้วยหนูฝึดกรรมฐาน รู้สึกว่านมมะพัทะแหมภาวนานิดเดียวได้ผลเป็นที่น่าพอใจอย่างยิ่งแต่หนูสงสัยว่าทำไมนะมะพัทะที่ลูกภาวนาไปนี้ตอนหัวค่ำพัดเจนแจ่มใสภาวนาตอนใกล้สว่างกลับขมุขขมัวเคยลองหลายครั้งแล้วยังแก้ไม่ตก แต่บังเอิญเห็นหลวงพ่อไปเข้าฝันโดยดึก็ต้องมีฝันให้หวยเปล่าโดยดึกห <c oughs> ลวงพ่อยิ้มแย่งเลยเจ้าค่ะพอดีวันนั้นลูกขี้เกียจนั่งกรรมฐานหลวงพ่อทำหน้าดุไม่ยอมยิ้มลูกก็บอกว่าพ่อจ๋ยิ้มหน่อยทีคะหลวงพ่อกับดุใหญ่ลูกรู้แล้วว่าการปฏิบัารของลูกไม่ดีเท่าที่ควรที่เล่ามาให้ฟังนี้เพื่อเล่าความเลวของลูกให้พ่อฟังเจ้าค่ะจ้าสุ <c oughs> เขาเล่าความเลวไปตาทุได้หรอครับถ้าคนไม่ดีเขาเล่าความเลวไม่ได้คนคที่คุยเรื่องเลวคนอื่นฟังนั้นต้องเรื่องดีแล้วทพเจ้าบอกว่าบุคคลใดเข้าใจตัวเองเป็นผานผานงโง่ใช่หมครัรคนนั่นคือบัณฑิตคกะปากจบมาใช<ด>่คนใ<ไ>ดที่คิดว่าตัวเองมันเ็น้งชื่อคนผานชื่อนโง่ งนั้นเราก็ไปยกทรงโง่ก็ดีแล้วนะด <c oughs> ีดีกว่านะรอดตัวไปได้นะกรับครับอ๋อเออโอโ อ, โ อ, โอโดีดีดีดีแสดงว่าคนนี้ก็เริ่มดีเลยนะรู้ตัวว่าเลวแล้วก็อยากจะแก้ไขได้ไอ้ยังคิดจะถ้าจะเลิกจะแก้ไขก็ไม่มีไรถ้าเกี่ยวกับเรื่องอารมณ์ที่ปฏิบัตินั่นเองนะคืเอเวลานั้นง่วงนอนนะมั้งตอนจะจะเช้มามืดโอ้เชาบืดบางทีมันจะอยากจะนอนสว่างก็หวานใช่ใช่ใ่ใ่ครับครับมันมีอะไรล่ะครับ ที่บ้านของลูกไม่ทราบว่าเป็นเพราะเหตุไรเวลานั่งกรรมฐานไอ้เรื่องเสียงกุกกักนนเนี่ยไม่ได้สงสัยแต่เสียงคล้ายๆค น, คนพูดก็ว่าเสียงคนก็ไม่ใช่เสียงผีก็ไม่เชิงเสียงเทวดาก็ไม่แน่ใจพูดแล้วก็ฟังไม่รู้เรื่องในขณะนั้นจะปรากฏว่าลูกมีจิตสบายเป็นอย่างยิ่งวันไหนนั่งกรรมฐานแล้วไม่มีเสียงมาลูกนั่งแล้วไม่สงบ เรียนถามว่ า, เ, าเสียงที่มาปรากฏในลักษณะขนาดปฏิบัติอย่างนี้หลวงพ่อไปด้วยหรือเปล่าเจ้าคะที่เกีออยวอะไรกันน่ะอ้างเทวดาอ้างศีอ้างโ น, โน้นน <c oughs> เรามาถามาหลวงพ่อไปด้วยหรือเปล่าเจ้าคะถ้าพูดเป็นสำเนียงภาษาไทยนะแช่เราไ ม, ม่เรื่องนั้นเป็นเรื่องเทวดาเช็จ้าตุมหาราชโอ้หดเวลาแล้วเหรอส่วนแล้ว ครับครัก็เสียงไม่หมดหรยอสองสานาทีไม่ผมก็เกรงใจหลวงพ่อว่าวันนี้มันสัมภาษมันยาวเหยียดมันนวจริงวันนี้ว่าจะแคนเซิลไม่ถามนะเห็นว่าหลวงพ่อไม่สบายก็เลยถามถามให้สบายังลูกโตทราบทาเอาเอาเอาแค่นี้ก่อนนะหลวพ่อได้ได้ผมสารไม่ได้แล้วกลัวจะสอบลำบากผมเลยนะ ผู้สอนผมเองก็ถูกแล้วนะรับนี่มันนี่นะจะทันได้เฉพาะพระสามีที่พระเราเก่าทั้งหมดเอาเข้าที่ใหม่หมดข้อชาติเหมือนอะไรทั้งหมดอะไรนะพระวคนเข้าที่ด้วยนะาคะ้งปรื่อวยะ่ ก็ต้องนั่งซ้อ น, นดิถ้าคนก็อยู่ไหนก็รักษณาได้นี่นั่งภาวนาพุทโธท่านๆ น, นะท่านทำอะไรให้เจียมีดสักระเราขอด้วยแต่เราเองก็ต้องมาเป็นมีดเวลาซื้อหมูมาก็ปากกัดไปจริงจริงน <laughs> ดีกว่านก่อนนั้นฉันทาศาลต้องบานสั่งทำศาลใช่ไหมขายสาบจะเอาลองรางหน่อยไม่เป็นไรสร้างมาจาวัดไปสร้างวัดที่ไหนฉันต้องทาศาลศาลของวัดนี่ต้อยู่ทิศตะวันตกตะวันสานสี่เสาหรือหกเสาฉันก็ทำหกเสากว้างเท่าไหร่ไหมกว้างเท่าไหร่ก็กว้างสี่เ แล้วก็ยาว8ปดสอบพราะกานไปเข้าเทวดาที่ไหนจะมาอยู่ว่าบอกผมครับต้องว่างเวลางานเลิกงานแล้วก็หลบไปนอนอุ้ยนี่ไอ้ใครไปเสือยมาแก้บนเทวดาชัแน่กินจนหน้าจะของเลยครับโอ้ไม่มีใครมาแก้บนได้แหมระยำหมา โอสามวัดที่ต้องที่ตะวันตกนะต้องที่ตะวันตกแล้วหันน้าก็ไปหันหน้านม่มีความจำเป็นโอ้ําบ้านจะไปจ้างที่ตะวันตกนะสมัยท่านพ่อครับขออภัยเด็ขอใช้ภาษาธรรมดาภาราไทยว่าทั้งทิศหายแล้วตายโอ้เห็นมาแล้วสองรายโอ้โหภายในปีเดียวนะใชัอย่ายุ่งอย่ายุ่งพือว่าลูกสาวของพ่อ เธ อ, อกิริยากสิกรเนี่ยมาตอนเย็นนี่เองเองจ้าค่ะนอนหลับอยู่ในห้องนอนกําลังนอนอยู่สบายสบายปรากฏว่ามีผู้ชายมาอยู่ข้างๆรถท่ออ่อฮะฮผู้ชายครับผู้ชายครับมาว่าไปมาอยู่ข้างๆแกห่องสวดมนต์คล้ายๆภาษาอินเดียอย่างนั้นแหละอลูกมีความกลัวมากก็เลยท่องสัมปะติดฐามนะ ออแวะไปเดี๋ยวแกก็กมาอีกแหละสัมปจิตสามิแกก็กไปเดี๋ยวก็มาอีกแหละตอนนั้นนะเจะ้าคะลกตัดสินใจเลย ว, ว่าถ้าตายตอนนี้ขอไปที่ทานตันทีเออดีมากดีมากแต่ที่โลกสงสัยว่าเอ๊ที่ห้องลูกก็มีพระหลวงพ่อเยอะแยะมากมาย่ายกองสมัอิตาลีอินเดียนีย่แกเข้ามาได้เจ้าคะเออจะห้องหลวงพ่อยังเข้าไดนน้อ้าวมานี่ นี่ของขนาดของพระอาจารย์พระหลวงพ่อยังยังไปได้ครับยัาได้ตผีนั่นเป็นเทวดาอ่าเทวดาคนนั้นเป็นลุงเขามาเป็นเพื่อนไปขับลุงเขาได้นี่ใช่แค่เพื่อนที่เขามาดีแท้เลยนะนี่แหละสิ่งนี้นะลุงนะโอ้โหวิสัยท้าวไปบอกให้แกมาใหม่นะ ดีไม่ดีก็จะบอกโตเต็งไงเอออย่างนั้นดีกว่าโอ้เป็นลุงเจ้าค่ะวันนี้เสื้อตังเลนน้อยเต็มทีลาบสองตัวสามตัวไม่ว่าจ้าเออโชคดีนะลุงช่องอดสงเคราะห์ลาบลาเรียนหลวงพ่อที่เคารพอย่างสูงนะเจ้าค่ะในขณะนั่งสมาธิ ติดต่อก็ออาผมท่านอาคงนี่ตายไปแล้วนะเจ้าค่ะตายไปหลายปีแล้วอในขณะที่ติดต่อการปรากฏว่าท่านอาผมอ่ะวนเวียนอยู่ที่หัวซุ้ยแต่บอกว่าอยากจะเกิดแลิศตนแต่ว่ายังเกิดไม่ได้แกบอกว่าอย่างนี้เจ้าค่ะให้สร้างพระมุตัวลูกให้สักหนึ่งองค์แล้วจะแกก็จะได้มีโอกาสไปบุตรไปเกิดทีนี้ลูกก็มาสงสัยว่า อ, อการสร้างพระพุทธรูปนี้นะ่ะควรจะสร้างสักขนาดหน้าตักขนาดไหนหรือว่าจะเท่าเป็นพระสังฆทานถาวายแทนการสร้างการหล่อใหม่จะได้หรือไม่ขอถามก่ออย่ า, า อ, อย่าสร้างให้โตเลยนะขะพักขนาดไห น, น ก, ก็บอกข้าหนาตักแค่ยี่สิบบาทก็พ อ, โอโสงสายสายนาหลายสิบไร่เล ย, นะ <laughs> ยใช้ได้แบบขนาดเท่ากันใช้ได้ พระดานเสร็จครบได้ทั้งพระได้ทั้งผ้าได้ทั้งอาหารได้ทั้งน้ำเสร็จอ้คับครับอะไที่บอกจะไปเกิดแต่ความจริงไม่ใช่ไปเกิดเป็นคนนะไปเกิดเป็นเทวดาแน่แน่ใช่คาับครับแสดงว่าองค์นี้มีปัญญาเขามีบุญอยู่มีบุญอยู่นะแต่ว่าบุญยังน้อยเกินไปอระกายไม่ขึ้นครับครเวลานี่เขาก็เป็นภูมิเทวดา อย่าอยาปะก า, าศเสือกดาเรียกว่าจะเลื่อนฐานะงั้นเหรอใช่ใช่ไอ้แม่กงนี่ฉลาดนะโง่อย่างยกทรงมาไปไม่ได้ <laughs> ยกทรงมาโง่เสมอไม่นี่หลวงพ่อจะผาหมาลูกไม่อยากจะพูดเลยนะจะเขียนซื้อม า, าอย่าพูดอย่าพูดเขียนซื้อม า, าครับคแต่ตั้งแต่ไปลูกศิดหลวงพ่อมานี่อะไรอะไรมันก็ดีหมอดทุกอย่าง เสียอย่างเดียวจะสาเหียดไปเที่ยวมาแมา่ <c oughs> บุญมาสางมันมีสมั ย, ยกทรงเลยนะเหยียดไปเที่ยวมาทุกอย่างนั้นมันดีหมดเือนแต่ลอตเตรี่อย่างเดียวเที่ยวไปเหยียดมาแต้มเดียวบ้างสูงบ้างต่ำบ้างไอ้นี้ไม่สงสัยไม่ถาม<อ>แต่ที่จะสงสัยถามก็คือว่าอย่างนี้ไอ้ที่เขาถูกเป็นโคลงโคลงโคลงโคงน่ะเขาทําบุญประเภทไหนแขงก็ไม่เคยถูกกับเขาอะ อ่าเสร็จเลยคือรู้ไ้ยังไงโอ้โหตามที่านรุษญาติเราว่าต้องทำบุญประเภที่ไม่ตั้งใจไว้ก่อนไม่ตั้งใจไว้ก่อนเอ๊ะเลที่มิเตสเดี๋เดินมาอย่นี้เขาถวายเขถวายไปแลวถวายต้องถวายอ้าวถวายถวายแล้วว่าโอ้เนี่นะตัดิใจดีนั้นเลยเหรอครับใช่ถวายเขถวายในวันที่หนึอ้ใชาปมหาทานก็มหาโอ ีนี้ไม่ต้องเกี่ยวเทาเทาวไม่ไม่เกี่ยวลอกโครมโครมมโอไมอไม่ได้ตั้งใจมาก่อนมาเจอปุ๊บใช่ใ่อย่างนี้ก็จะได้ผลใช่ไปัจจุบันท่านดุลครบครับคัโอ้ไม่ว่าจะทำที่ไหนก็แล้วแต่ก็พุ๊บปั๊บป๊ปั๊บเลยนะใช่ใช่ยงเห็นหน้าหลวงพ่อปุ๊บฟักสวยใสเลฟลัเราลสงสางแสนได้เลยโอ้หนักเลยใช้ดีหรือว่าจะปฏิเสธเรื่องเงินแสนอะไรปฏิเสธทำลายสัจธรรเจ้าห้ามจะ โอ้โหหนสำหรับประชาไทยหลับฐานย้ายเจดีโหหนักจนต่ำจนเบนเลยนะใช่ครับโอ้เพราะฉะนั้นก็ไม่ผ่าทีเส้น้องรับเลยนะฮะจำไว้นะอย่าสูบแบตเตอรี่เกี่ยวไปเกี่ยวมานะเดี๋ยวเริ่มทำก็เลยเลยแสนหนึ่งแล้วพ่อเจ้าขาเออน้องที่ตายไปแล้วคำว่าเข้าฝัน มาบอกว่าให้มาทําสังฆทานที่่อยไสายลมนะไอ้ผีก็ยิ่งฉลาดน ะ, อะบอกให้มาทําสังฆทานที่ซอยไสายลมให้ทําสังฆทานก็จะรมเสริมตายแล้วห <laughs> ลวงพ่อจะรงเสริมที่บุตรก็มาไหลเนี่ยคนจะเป็นบ้างท่านจะคมเสริม <laughs> <laughs> ใช่ใช่ใช่หลวงพ่อจะรงเสริม <laughs> อะไรโลกได้ทําไปแล้วก็ปรากฏว่ากันมาเข้าฝันสัมผัสกันได้เมื่ออุน่น แถมยังบอกเลขให้ด้วยอาจะพูดในตอนนี้ก็เพลงใจหลวงพ่อเลยอุกไว้ก่อนแต่ที่จะเรียนถามก็คือว่าลูกถวายสัรฆทานเพียงแค่ชุดละร้อยบาทเท่านั้นทำไมน้อแลจึงเป็นเหตุให้น้องชายเป็นเทวดาและสามารถมีอะไรไปแปลกมาบอกลูกได้เจ้าค่ะบาทเทียวยังได้เลยสัรพทานเป็นมหาวุศินถวายทางพระเจ้าร้อยครั้งสู้ถวายสัทานหงครั้งไม่ได้ ผู้ที่ยกสังฆทานเป็นอะไร้ใช่ใช่พระเจ้าพูดเองนะครับครโอ้แหมคนตายไม่ฉลาดเนาะสังฆทานเพียงแค่ชุดละรอยบาทก็ไปโลดเลยนะชุดละร้อยบาทเึงมีพระพุทธรูปหลับถ้าชุดนี้กายสว่างสองมือผ้ามีเสื้อแต่งกายป็นชิด สามีอาหารนี่างายเป็นชีวิไม่เล่าคราบครับโอ้นี่ตกลงก็ลงทุนถวายแค่ร้อยบาทไม่ได้บลอกเครื่องเลยตั้งรอยบาทก็สาบุบถวายที่เดียวข้าวโนหยิบมือใส่ใส่ใบไม้ซอยพระกับข้าวโนหยิบมือถ้าข้ากว้างคืบยางคืบข้าวกว้างคืบยางคืบยางพื้นน้ำหนึ่งพันบาทอุทิศส่วนหนึ่แม่มาร้อยชาติแม่เป็นนาวฟ้า สวยสวยพรงามไม่สาบบุนี้พ่อน้ำมีเรื่องทางกายพรอผ้าในงครืองป้องคื่องเมืองคื่องในร่างกายเป็นที่พอาหานแสงสว่างขั้วจักรวาลในหลวงเจ้ามีเรื่องสัรนทานนี่จะแม้ของของน้อยของน้อยแล้วไม่เป็นความไม่จำัดของเพื่อจำใจเกลด่อของบุญสันนิสฐานมันเกลื่อนใหอ่ไม่ได้เพชรเล็กๆๆละทาก็แพง เอ่อเรื่องสังฆทานเนี่ยพูดกั น, นักพูดกันหนาว่าเขาบอกว่าสังฆทานนี่จะต้องรับสงศ์สี่องค์ขึ้นไปจึงจะเป็นสังฆทานถูกต้องตามกระธรมวิมนยัยประทัยพิดกแค่ว่าพอมาถึงสายลมนี่เห็นจะมีหลวงพ่อองค์เดียวไม่ทราบว่าของลูกจะเป็นสังฆทานหรือเปล่าเชียวค่ะสงสัยเหมือนกันนะคร <c oughs> ับสงสัยเฉพาะคนที่านนะข อ, อสสคนอนื่น<า>เป็นสังฆทานคนที่สงสัยแลสงสัยไม่จำเป็นติดนม่รู้เพราะว่า ถ้าองเดียวถือว่าเป็นผู้แทนสงเขามีวินัยอยู่อ๋อตัวแทนผู้แทนไดน้เหรอใช่ใช่นี่แสดงว่าที่ไม่อ่านวินัยให้ครบที่หลวงพ่อรักทุกวันทุกวันเนี้ยแสดงว่าเป็นตัวแทนของสงเป็นตัวแทนสงเอาคนเดียวไม่ได้หรนรกโอ้ยังไม่หลุดครับใช่ average วิธีไปมีอย่างนี้หลวงพ่อเหนื่อยจ้ตายที่เขาเป็นของสงหมดก็ไม่จะเจ็บได้ดีอะไรเขาเลยไม่ได้ไม่ได้แง่ เหื่อยก็หน่อยคนเดียวไต่เวลาได้ฉันได้ไทก็พร้อมเอาแล้วกันถ้าแถมกินมากก็ด้วยเราคนเดียวกินน้อยด้วยแลกลับตกลงว่าโปรซาไปเลยนะหลวงพ่อเขรับในนามเป็นตัวแทนของสงฆ์ก็เป็นสังฆทานสมบูรณ์เบยที่จริงจะเรียกว่ามหาสังฆทานก็ได้สมฝ่ายอะไรเนี่ยใช่ไหมจ๊ะหลวงพ่อจะสาเรื่องลูกไปพก ครูสอนมโนมยิทธิท่านหนึ่งกับลูกศิษย์ท่านหนึ่งเขาสอนกันรู้สึกว่าเก่งมากสามารถพูดถูกต้องทุกอย่างทุกประการวันหนึ่งไปพบท่านทั้งสองในงานกินเลี้ยงจะบังเอิญหรือไงไม่ทราบทั้งสองท่านต่างก็ใช้แม่โถงเป็นสารนังกระสาเมสุกรับสุกรั บ, รบแต่ในขณะนั้นโตอตอบเรื่องอันรกสวรรค์ว่าสอดฉอดฉอดแล้วก็ถูกต้องไปด้วย ลูกสงสัยว่าเอคนที่ศีลไม่ครบอย่างถ้าพ่อสุลาเมวจะสอนมโนมยิสเซได้ยังไงจ๊ะอารย์องเขาครบนะอะไรครบหระอเขากินน้ํากลอนน้ำสะอาดนะไม่ใช่หรอโอ้ที่จือว่าน้าสะอาดนะน้ำสะอาดโอ้ผู้สาวแมาจากม่ครัะโอ้โหไม่ใช่ใกลนะใช่ใช่ใช่เกิดเกิดถึงฝั่งลาวนะ กือ่อแปลกนะอารมณ์ติตข อ, องคนรวยนี่ก็แปลกนะไปตุลามมรีก็ได้ใช่มเรื่องเรื่องชานโลกีโอ่นเนไปได้ครบแต่ว่าเวลาตายลุดโรกไงแหมโอ้มีมีไม่น่าเราที่บอกว่าตอนที่หลวงพ่อไปแล้วไปเจอชานโลกีนี่เสื่อมได้ไไหมกัไเลยครับเสื่อมได้เสื่อมง่ายอ๋อ่เขาก็เสื่อมรับมากเกินไปก็เสื่อมอ๋อ อย่างั้นเราก็ไม่เอาดีกว่าขอเป็นชาติสูงๆหน่อยโลกรีไม่เอาเดี๋ยวเสื่อชานสูงระวังนะเป็นไงครับเขาเรียกชาติเสืดแค่โยกใจสูงแค่โยตานั่นแหละเฮ้ยถาม น, นี่อะไรเนี่ยอ๋อเรื่องใช้มีดหมอเหรออ๋อไปเจอเพื่ออย่างนี้เจา้าค่ะจดลอกไฟไม่ทราบูผิดประการใดที่บอกว่าการใช้มีดหมออะไรทุบขาทุบขัง ปาติจิตังสามปาติฉามิปาติจิตตังสิตตังนั้นไม่ใช่จิตตังนะปาติจิตตังเหรอจิตตังท้อถุงโอ้ปาติจิตังอ้ขอบขอบขอบเาเป็นอาว่าจิตฉาไม่ได้นั่งศึกษาโรคนะวานลืมบอกไปถ้าขับขี่ันน้องชยยขับขีโดยตรงนี้นโมบุาย์ให่ ว่าเอาที่นีอไม่ต้องชาร์จแค่วางบนที่ตักก็เพราะว่าที่น้องฉางไม่ทันชัก์จพดึงจากกระเป๋าผีไปแล้วโอ้ย โ, โก้แล้วโกวแล้วโกวแล้วโอ้ที่จะได้ไม่ได้ว่าคาถาไม่รู้เรื่องเลยยังไม่ทันขึ้นน้มึงโม <c oughs> อะไรเลยคาถาแกก็ไม่ได้ถามไปโอ้แค่แค่แค่เพราะว่าจะเลือกว่าไม่รเนี่ยพนพรเจ้าคำสั่งท้ามหาราช ครมี่ของท่านทุกเล่มจะต้องมีเทวดา จ, จ้าจ่ารราชคุมอเรื่องขับเสือเทวดา จ, จึาจะถึงราชจัดการทันทีโคตรล้มก็วิ่ี่ลูกหลานบางคนได้ไปนี่ก็่เหมือนก็มีเทวดาอยู่ด้วยองค์ะ ร, ระวังนะ อ, อะไรครับรรบางทีเทวดาสแสดงตัวมาดิตัวตามตัวใหญ่คื่อ <laughs> เออ ท, ที่ที่ชอบใช้ก็คือว่าจะอาศัยว่าันที่เราวันที่หนึ่งวันที่สิบกอะไรอะไรเงี้ย อ, อ่าท่านให้ได้ผอให้เหม่กันเราไม่แก่ให้ได้เพราะว่าท่านเป็นเพื่อนกันจะมือคเสร็จเลยให้กินเลยนะเออเรื่องมิตรอ่าเรื่องมิตรก็ขอนิดในงัก่ตรงด้วยว่าได้ข่าวว่าต่อไปวิสาขบูชาหลวงพ่อว่าจะมีมีมิตรครับที่ว่าอะไรถ้ามีมีต งานดม ง, งานักงานนะ ป, ป, ประมาณสามพันเล่ม<อ>มีมีดมีดเป็นสีเหมือนเล่มแตมธ็ทำทันนะแล้วก็สมเด็จโตประมาณทักสามหมื่นเล่มโตหรือโตโตเขโตแล้วเคยสมเด็จโตยังไม่เคยเห็นนะโตแต่ตเล็ก ๆ, <อ>วๆสวยครับตบตรงว่าทั้งสามอย่างนี้ ต่ได้จริงๆก็ต้องวันวิสาดาวิสาอย่างนั้นถ้าใวิสาเทาชันจะมีการุกเสรสิ่งอมีกเสจใช่กงวันสินะครับ่กเสจคนนด้ก็ค่อยขี่คองอะไรแเอ๊ะแม่บางคนท่านบอกว่าอยู่กรุงเทพอยู่ไกลแหมอยากจะจองจองอะไรน่ะจะได้จองได้แต่ว่าเวลาไปเอาตังค์เสียใหม่ครับพอที่จองก็หายกันไปเลยงั้นหายไปเลย เออเอ้อาวันหูได้อยากได้ก็ อ, อย่าลืมไปนะวิาสาขบูชานะไปขี่คอหลวงพ่าบอกขี่คอรับกันเลยครับแต่ลูกหลานกันจนแสนทำนทิดยัง <c oughs> ไม่พอยาไส้เนาะอ่าเห็นลงท<า>ุนหลายล้านคุณไม่มีลงสิอ้อเป็นล้านอ้าไหนเห็นคุยนักคุยหนาวอะหลวงพ่อไปมาหาเศรษฐีร่ำรวยมันท่กลแล้วไหาเศรษฐี บอกไม่มีคําว่านี่ต่อท้ายเลยไม่จําโอ้ขาดไปตัวเดียวแล้วบเลยไม่คบ <c oughs> ใช่นั่ไม่มีเงินทุนตํางลองทํานะอันนี้ความจริงพ่ออยากจะทำเยอะๆแต่ไม่มีความจริงก็ตัดสินใจว่าจะเป็นนี้เขา้างสามล้านโอ้โ ห, โหทำไม่เสร็จนะครับครับครับถามเจ้าภาพเขาแล้วเขาบอกตกลงตกลงโอ้ก็ยินดีให้เป็นนะใช่ใช่โอ้โชคดีนะเตรียมกองไว้ครับ าาตาตาหลวงพ่ อ, อที่เคารพอย่างสูง อ, อ, อะไรเนี่ยอ๋อลูกอยากจะเรียนถามหลวงพ่อว่าปกติที่วัดท่าสงเขามีการสวดมัลโโมยิสสิทุกวันใช่ไหมเจ้าคะใช่จ้ะแล้วก็เวลาลูกจะเดินทางไปที่วัดท่าสงจะต้องมีหลักการระเบียบการเตรียมตัวการอย่างไรไปบ้างเจ้าคะจำไม่ดีนะครึนะ่งหนึ่งผ้านุ่ เอ๊ะะมีผ้าน่มเหรอเดี๋ยวแก้ผ้าไปทำไมโอ้โหจะนาดูแลนะสอม่เสื้อใส่มีเสื้อใส่สามมีสตางค์ไว้เสื้อหันกินอ๋อแค่นั้นแหละอ๋อม่เกยมตัวไปแค่เที่ยงเขาเหรอไม่พอแล้วอ๋อปาชนโอ้ใ่ปาดตีพิงไม่ได้นะบาดตักบาดตีเขาไม่ยอมเขายอมไข้างคืนเดียวอ๋อ พูดถึงว่าการช้านี่รนุญาตให้ช้าอย่างมากไปเกินวันเจ็ดวันนะครับแต่บางคนทราบปฏิบัติดีให้เกินได้ตามท้องคนแต่ว่าได้ข่าวแว่แวว่าว่าสา่ว น, ห น, หนหใหญ่นะญวันแรกประชักเห็นหน้าเห็นหลังใช่ไหมถ้าผู้หญิงนะค่ะะถ้าผู้หญิงวันแรกเรื่มเห็นหน้าเห็นหลังแต่ว่ามีฝรั่งชาติเด็ดมากคน ไปยังไงครับไปวันแรกถึงนิพานเลยสว่างเฉลยวเนยฝหลังงั้นนะฝันหลังใชนะ่ไม่เด้เลยอกเองครับคโอ้โหฝันหลังวันเดียวไปถึงแดนนิพานนะขวาไทยนี่มันวิไไนนะ่งไงขยายปยายขยายเอาละครับก็ตกลงว่าไม่มีอะไรมากมีบัตรประชาชนไปนะแล้วก็มีเงินไปซื้ออาหารก็ไปอาวุธไทได้นะ่ครับต่อไฟนี่อร่อยเอา ราษ้าหลวงพ่อที่ก็รบอย่างสูงคือว่าเรื่องตั้งสา ร, รภูมิเนี่ยลูกโชคดีแล้วเตินผูกหลอกไปหลายหลายแล้วหันหมอหมอแรกมาห้หันหน้าไปทิศนี้หมออีกสองมาบอกให้หันไปทิศนี้หมอที่สา ม, มาให้หันไปอีทิศโ น, น้นไม่รู้ว่าทำยังไงดีหมดเงินไปหลายแล้วลูกเลยตัดสินใจมาพึ่งบาลงีหลวงพ่อ เพื่อจะได้ทําแนะนําอย่างไรก็ตามลูกเชื่อหลวงพ่อทุกอย่างทุกประการเลยเจ้าค่ะทำไมเพรหมอหลอกไปหลายหลายหมอแหละหมอก็ไปได้ตางค์เราไปยินหมอเลรอครับกคงจะมันมันสี่ทิ่มันก็ต้องอย่างน้อยก็สี่หมอครับห้อที่ห้าก็ต้องหลอกเหมือนกันครับจะมาพึ่งนบารมีหลวงพ่ออะไรก็เขาหลอกมาแล้วตั้สีหมอเนี่ยสี่หมอต้องต้องหลอกเหมือนกันเอาเราหลอกนะเอาหลอกกับหลวงพ่อหนึ่ง ตั้งพิษเตือนออกเียเหนือองพิษตนออกสาิษเหนือได้ดอ๋อสาิษนะสาิออกเหนือเฉียงออกเฉียงเหนือใช่ใช่อ๋อเออทีนี้เรื่องลูกตุ้มตันก็ไม่เคยมีก็อยากจะเอาหลวงพ่อเทปหลวงพ่อไปทำพิธีสร้างศาลหลวงพ่อใช่ปกติเอาปกติเลยเหรอจะผลเปนลลงตนที่บ้า ที่หาบาทแทนนะรับจ้างให้กินได้ดูนะโอ้ห้าจ้างของเราแล้วไปอีกแล้วใช่หมครับครับคนจะตั้งแล้วรับจ้างต่อไปโอ้ครับครับก็หลวงพ่อก็อนุญาตนะหลวงพ่อเทนะครับครับประหยัดไปได้เยอะเลยไอ้ทีเสียหวยเสียได้แม่จะทั้งสานั่นทีเสียหิ้งห้าบาทอ้างพนเห็นใจหลวงพ่อเจาขาวันนี้ลูกหน่อยทำบุญสองปทาน เพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แก่เอสเดชร้อยแก่นายวีรพงศ์สมุลพัฒน์ติหิงอนิสาสุขุนตรีสังโหรพงขอบารมีหลวงพ่อขอพรให้ตระกูลของลูกเจริญรุ่งเรืองด้วยเถิดเจ้าค่าพระเาคุขอจงเจริญเจริญมากๆแบ่งพระบั้งนะ อ๋อท <mile> oh. ุกครั้งที่ให้พรไปนี่ไม่ได้เพื่ออะไรเลต้องไมหุ้นสวยเดี๋ยวว่ามันจะหามาเป็นพ่อเป็นลูกกันนี่แหลช่ท็กแล้วลูกพ่อครับผมไม่โอกาสมาฝึกมโนมายิทธิแบบน้ำตาไหลได้ผลเป็นที่น่าพอใจพัดเตนแจ่มใสไอ้นั้นไม่พูดแต่เล่าให้ฟังนิดเดียว ที่จะคุยม้อยหลวงพ่อฟังก็คือว่าผมทำบุญกับหลวงพ่อผมได้กละหางลาบทำข้าวไฟหนึ่งองค์มาหาลาบนะไม่ใช่หางลาบนะ <c oughs> ไอ้นี่สงสัยจะแท้เดียวก็บไอ้ลูกหมากมะคือสงสัยจะเป็นยมามหาลาบไม่ใช่หางลาบห <c oughs> ลวงพ่อครับผมไม่ใช่จะคุยนะครับสองหัวติดติดกันเลยถูกมาโดยตลอด ผมเลยศรัทธาเรื่องไสหลวงพ่อและเรื่องไสาพระมหาราชเป็นอย่างมากวันนี้ผมลอยมาถวายสังฆทานวงเล็บสิบบาทชุดอาจจะแทบตายนก็จะทําเท่าไหร่เฮ้ยไม่ใช่ชุดไปใะสิบบาทเอออันศิษอันศิษยอันศิษยสวยต้องเยอะนึกว่าทำสิบบาทนะฮะ ผมขอที่ส่วนบนุญส่วนกุสมทั้งหมดนี้ให้แก่พระมหาลาบทำข้าวขอพระมหาทำลาบทำข้าวจะโมทนาด้วยเอ๊ะขึานงท่านอย่งั้ก to ันเดี <leaned into the foreground> <t symbolic orman> to ok ๋ยวเดี๋ยเดี๋ยวฮรักื่องกัจะโมทนาได้เลยเนี่ยสงสารยังไงนี่น่าหละมันไม่ถูกหวยประหลาดประหาดเย จ้าจ้าเอาละก็ยันดีนะที่จริงมันน่าจะโอที่สุนกุศลจอบตรงสบายลงก็ต้นจะบับมากฝ่านะเอาละขอสมหาลาภทรงเจริญเอออะไรล่ะอ๋อน้ำมันชาตรีใช้หยอดตาได้หรือไม่ได้ฮะให้ยาต่อกระไได้โอ้รยอใหญก็ได้เึกแล้วเลกแล้วเึกแล้วแม่ ตอบปัญหาตะระ่วยนี่รู้สึกจะมีอารมณ์ดีเลยอ๋อหยอดตาก็ได้หยอดใจก็ได้นะหยอดตาถ้าหยอดตาจะแสบหน่อยนะแสบบถ้าหากว่าเป็นต้อนเนื้อจะลอกเลยอ๋อถ้าต้อนเนื้อจ่นะแสบแสบลอกเลยหายทีเดียวอย่างนี้ก็แสดงว่าแม้โรคใดๆก็ตามถ้าหากว่าอ่าไทยแล้วก็ไม่ร้อนโอก็มีเคล็ดล้วว่าทําไมร้อนละหายนะหายนะโอ ยกาี้ก็แสดงว่าน้ำมันชาตรีนี่เป็นแอ ร, ร อ, อราบจักรวาลนั่นกันเลยนะใช่ครับเออพูดถึงเรื่องนี้ก็ประหลาดตรงที่ว่านี่เขามาเล่ามาฟังนะไอ้เจ้าหนุ่มมันเจี๊ยบสาวเล่าได้ป่ะใช่หนุ่มมันเจี๊บสาวล่อมาหลายเตื้อแล้วคือหลายปีไม่สาเร็จวาน้ำมัน ม, น, มนชาตรีของลงพ่อน่ะแต้มเล่นไปทีไม่ต้องจีบแล้วอีสาวมาเจีบมันเออ็นักใจเลยนี่นักใจ ม่จะต้องจะต้องลองพวกหน่อยนะระวังนะระวังนะทำไมครับพ่อทะเบอจะบินนั่นูที่ใช้สารพัดจริงๆเลยนะโอ้แหม่เสียดายนะถ้าขุนแผนอยู่แล้วโอ้เลิกเลยตาตรีสีตนจากไปนั้นหยอดตาได้นะครับอ๋อเดี๋ยวๆมีฉบับรู้่าไหนคือว่างี้ ไปเอาน้ำมันไปพืป้นน้ำมันงามาเพื่อจะเอาผสมแต่ปรากฏ ว, ว่าไอ้ขวดนั้นมันมีทั้งน้ำมันผัวน้ำมันงาผสมกันอยู่ด้วยไม่รู้ว่าผลจะลดไปเพิ่มหรือเปล่าเพราะไม่ไม่เป็นไรพอแค่เป็นไร้ครับผลไม่ลดนะน้ำมันงาก็ได้น้นเช้าก็ได้<อ>เสร็จเอว่าเติมได้อะไร<ห>ได้ไอ้สงไอ้ผงไม่ลดครับคุณภาพมันไม่ลดครับครับอ่าลุง แล้วพ่อครับข้างบ้านแกไม่ค่อยมีโอกาสทําบุญทาํากุศลแต่ก็มีความดีอยู่อย่างหนึ่งคือว่ากตัญญูเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่เลี้ยงพี่เลี้ยงน้องคือว่าคนภายในบ้านในถ่อยมีความสุขทุกคนอ่าที่ลูกสงสัยก็คือว่าวันหนึ่งแกพูดว่าเองไปทําบุญที่ไหนบอกว่าไปทําบุญที่ซอยสายลมถาวกัหลวงพ่อเขาสอนอยังไงบอกเห้ใครไปเขาในฟานไปทําบุญแล้วไปเขาในฟานมันก็เลยบอกว่าด้วยเดชะบุญกุศล ที่ลูกได้กตัญญูกตเวทีเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่นี้ขอปานิพานด้วยขอปานิพานด้วยอย่างนี้จะมีโอกาสไปได้หรือเปล่าเพราะไม่เคยมาทําบุญกับหลวงพ่อเลยสงสัยนั่นหน่ะสิไม่เคยมาแต่ว่าเขามีความกตัญญูตเวทีที่ไปสวรรค์ได้นะกตัญญูกตเวทีเนี่ยใช่ใช่ใช่สิใหญ่มาอย่างน<อ>ี้มาตามไปตึกวลชนตุงใ<อ> า, าบไม่รู้ามีความกตัญญูลูกคุณก็คือดามันดาเล<อ>ี้มีดามันดาเป็นสุด อนี่อเ่สวรรค์ก็ไปได้ง่ายเลยใช่ใช่าฝากฝกโมทนาดยนะเทีแม้ความจริงมาทาไม่ได้ฝากมาก็ย่าได้น้องพ่อได้ได้โอ้ฝากระดิบฝากระดูีทำไจ๊ะโอ้โหตัวเล็กขอผ่านอออนี่ไม่เป็นไรแล้วไปโกมะเร็งนะอมมะเร็งอนีไม่ต้ไม่ต้ใช้น้ามันชาตรีไปเลย อาเดี๋ยวถ้าจะรับประทานน้ํามันชาเตะเรียนถามหลวงพ่อว่าสักสักสักกประมาณเท่าเท่าไรแต่ละครับถ้าโรคมะเร็งนะครับเจ็ดวันแรกคนใชยวันสามสิบสี่สามสิบสี่นะครับใช่คนละขวดวละขวดนะครับใช่โอถ้าต่อไปก็ช้อนชาเดียวนะข อ, อลดลงมาได้เลยนะถ้าสังเกต ด, ดูถ้าเป็นโรคมะเร็งถ้ารับภานกันไปแล้วถ่าย ถ้าถ่ายที่มีหวังหายสาธุากุ า, ก า, กากลงตาพวกมาเร็งได้เออดีแล้วเมื่อคืนก่อนน้นลูกจะมีโอกาสโชคดีที่หลวงพ่อไปเส้าฝันบอกว่าลูกนี้เป็นเคยเป็นลูกของหลวงพ่อมาแต่ปางก่อน หลวงพ่อได้จับแขนของลูกเกาะไปจากวิหารแก้วร้อยเมตรพาไปตรงลงที่ริมท่าน้ำสลาหลังเก่าอันนั้นทำให้ลูกมีความปลื้มใจเป็นอย่างมากแต่ที่ลูกอยากจะเรียนถามก็คือว่าลูกควรจะปฏิบัติคุณธรรมแบบไหนประการใดจึงจะถือว่าเป็นลูกของหลวงพ่อสมบูรณ์แบบจหนึง่งหนึ่งร้อยวนเนี้ยหนึ่งแกนึกไม่ออก พิโถตั้งท่าก็ดีเลยนะหนึ่งมีความกุศัยูตระกีามันจาสัมปัญยูเลี้ยงท่านในบริสุทธิ์สองครุภุมิเจ้าประธามพระอริยสงฆ์สามสยามรสสามสิบห้าบริสุทธิ์สี่ตั้งใจปฏิพันธ์ทั้งหมดนี้คือจะเรียกว่าเป็นลูกของหลวงพ่อเจ้ร้อยโปรเซงโป๊โปะโปเซแจ๊กแล้วโอ้ ครับครับคนับ้ยนี่นี่ไม่ใช่ย่อยๆเลยเนี่หลักหลักของพระโสดาบันก็ไม่างนี่ใช่สิโอ้อย่างนั้นใครจะเป็นลูกหลวงพ่อที่แท้จริงก็ต้องชื่นโสดาบันโอ้โหอีที่คนียังไม่ได้ก็แสดงไม่ใช่ลูกหองพ่อเลยเป็นเป็นขั้นโสดาไงโอ้โหก็ยางดีนะชื่นชมเราเลยใช่ อาบลกหลวงพ่อต้องรักษาลมปัสสาวะปั่นไม่ได้หมดเวลายังครับพ่อครับคิดคึ่งนาทีครึ่งนาทีอาขอแล้วหลพ่อจะหายใจขึ้นอ่ะสิเชื่อสงสารหลวงพ่อผมไม่ใช่แล้วแตผมก็อยากกลับเอามาเร็วๆเลยเพาะอากาศห่วยสะอาดอาจารย์ยกธงให้หวยวันนี้สามนานา หนึ่งแสนหกมื่หกันเก้า้อยสงบาทส่สิห้าสตังย่างเราส่งให้มันก็ื่อุนะแล้วก็คุณมาเปิดให้หวยสองแสนสองมืนสี่ร้อยสบจดบาทไม่มีสตางค์่าโทเทนั้นละพอแล้ว ใครแข่งหางเงี้ n เองเหรองหางเพราะว่าหลัวกินแขงหางน่สาวก็แ่งยุทธสงครามสนุกดเลยฮ่ายุทธงครามเรื่องระาษนะรเรุกกรารัพระเดชุหลวงพ่อที่เคารพอย่างสูง ขนาที่ก็ผมล่วยอยู่ที่โรงพยาบาลประมาณก็ถ้าตื่นติดต่อกันเวลาก็ใกล้จะ ส, สว่างผมไม่ได้หลับหรอครับแล้วก็ไม่ได้ฝันเมียลงเลื่อลงมองไปทางหน้าต่างเห็นคล้ายๆราวุติโลกเป็นโลกภาพเยนประทับนิ่งอยู่แล้วก็การเห็นอย่างนี้ก็ติดต่อกันเป็นประจำ ภายหลังที่ได้เห็นภ า, าพของพระพุทธองค์แล้วปรากฏว่าเราคงมีความสบายแล้วก็หายจากโรคภัยไข้เจ็บดีขึ้นดีขึ้นโดยลำดับในความรู้สึกตอนนั้นใช้เฉล ย, ยอยู่อย่างหนึ่งตรงคือว่าเอ๊ะรู้ก็เป็นพระพุทธเจ้าเอ๊ะรู้ว่าเป็นพระเยซูเอ๊ะรู้อคอพมหามอ่ะเฮ้ยนี่ยังไม่ได้อา่านครรู้อ่ะ เดาเดาเองเอ๊ะเลยหลายเอ๊ะนะแล้วไปแล้วเรียนถามเพื่อความสบายใจแต่จริงจแล้วจิตผมว่าเป็นระบุใจเจ้าแล้วก็รับเจ้าช่วยจิตเวลานั้นนะเวลานั้นอเป็นทุกข์จิตาะสมาธิคนนี้ว่าตายแล้วนรกก็อยากลงตั้งใจ อรมเารมที่<ม>จะเิต็ไตามคามเป็นจริงเลยนะครับใช่ใชออพอที่ถูกระลานะถูกต้องครับๆแล้วไปฆ่หลวงพ่ อ, อที่สุดบูชาอย่างสูงสุดก<อ>็โลกเป็นคนที่มีอารมณ์ดีคิดดีดทําดีพูดดีตามคําสั่งสอนของหลวงพ่อทุก<ม>อย่างทุกประการจริ ดีนะครับคิดดีตู้ดีทำดีตามอย่างที่หลวงพ่อสอนทุกประการโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องนิพานิลักเป็นพิเศษแต่ที่ลูกสงสัยก็คือว่าบางทีหลายๆเดือนจะมาพบหลวงพ่อสักครั้งแต่ก็ฝากเงินเข้ามาทำบุญนมิได้มีโอกาสปฏิบัติบัตรากอยู่ใกล้คุตรงหลวงพ่อเลยลูกก็ทักจสกเสว่าเอ๊ะ เป็นลูกศิษย์หลวงพ่อมาเด็ดใกล้คิดหลวงพ่ออย่างนี้คงจะมีโอกาสไปนิพพานได้ยากละมังเนาะไม่ยากไม่ใช่ไม่ยากถ้าเป็นลูกศิษย์ิดลูกศิษยเสมอนะท่านถือแลกใกล้คิดแม้จะอย น, นตัว้ต้องมาใจนึกถึงใช้ได้เลยโอ้ลูว<ต>้ว่าทาที่ดีก็่งตั้งไเรื่อย ๆ, ๆนะฮะเนี่ยเ่ล่วเฉลียวเฉลีู้วจะูชาเลยนะ เดี๋ยวจะมูลนิธิถึงที่สูงเลยไปนะใช่ขาดใจขาดมุติจะปฏิบใช้ได้นะครับอยู่ไกลก็ไม่เป็นไรใกล้เหมือนใกล้ใกล้เหมือนใกล้ถ้าปฏิบัติตามนะถ้าไม่ปฏิบัติตามก็ใกล้เหมือนไกลทำเลยเออดีมากดีมากเลยเอาลาบช้าหลวก็ที่กระลบอย่างสูง แม่ฟังวันนั้นอ่านวันนั้นรู้จะมีเพลงหรือเปล่าโอ้จ้าฟังวันนั้นอ่านวันนั้นแล้วก็ชอบใจวันนั้นแต่ก็ไม่หาแล้วไม่รู้จะไปหาที่ไหนเราต้องมาหาวันนี้ฟังวันนั้นอ่านวันนั้นหาไม่ได้คือวันนั้นหลวงพ่อพูดว่า บนอะไรเทวดาท่านลักทะานเตาใน้ใช้เม่อะไรเม่ตาจารย์ลูกไปหาในหนังสือสวดคนไม่รู้ตรงไหนแม้อยากรู้อยากได้อยากสวดอยากภาวนาลึกเกิยกอดใจกอใจโอ้ไม่เนราัสือว่าพระสงว์มีขายอยู่มาหมื่นราคาแค่นั้นเลยเหรอที่เดียวไม่แก้ดูนะใอเจตนานี่ยโย ครนี้คนเล็กคนในกรณีนะครับใช่เอาจำไว้นะข้อที่สองทรับว่ามีจดหมายจากพระเวทเนี่ยมาหลายฉบับอยากจะรู้เพตอะนั้นก็ให้ไปดูุในกรณีมัตสูรเป็นตานาที่สองตำนาก็มีหมดทีนะครับใช่ใช่แล้วแล้วภาวนาเพื่จะได้ผลบริบอใจอะไรเนี่ยมีสิทธิ์ใหม่พอดดั้ ก็ผมไปลูกศิษย์ใหม่่อดด้ามเค่งมาเมื่อเร็วๆนี้เองด้ามมันที่ไหนอะน่ารักก็แค่ด้ามนด้วยรับอะไรที่ใจไม่ดีดามเพ่อนอาจนรยก็มาสาธิตมาถอดด้ามสิดเออนี่ต้องไปอยู่ลูกมายากจัผมไปลูกศิษย์ใหม่่อดด้ามเครืงมาพบลูกพ่อไม่นานนักแต่ก็ พอใจทั้งหมดที่มาซอยแสลมอย่างอื่นไม่สมสมอย่างเดียวคือลอยยิ้มอหลวงพ่อครับทำมากมก็ไม่เอาน้เรื่อต้องยิ้มกระทนะต้องทำอะไยนะยิ้มกระลุกเปล่าเปลาพ่อไปใช่ได้หลวงพ่อเป็นพระที่ยิ้มนานที่สุดในโลกเขาเป็นมนหินมาไม่ว่าองค์ไหนองคไหขไปแล้วถาจะยิ้มแป๊บเดียวเดี๋ยวดีไปดู้องรุงดีวยิ้มลก ผมอยากจะเรียนถาวขอพ่อปฏิบัติว่าวิธีจะฝึดอารมณ์จิตให้สบายให้ดีและยิ้มได้นานๆอย่างหลวงพ่อนั้นนะจะงฝึกแบบไหน่อรับภวนาไหวยิ้มใจกิ้มใจยิ้มใจยิ้มใจเออโทำยากขนาดยิ้มยิ่มเลยนะก็คจะยากหน่อยนะบางคนนะสาวสาวสาวเขาบอกว่าลอยยิ้มจ่อมาได้ส่วนมากมันต้องใจดีนะอารมณนสบาย อารมณ์สบายใจดีจริงมีเรายิ้มมีทถามก็รู้สิขอบค้าหน้าตาดียังโมดีได้โอ้โหครับครับงั้นก็ตกลงว่าต้องฝึกใจมันดีๆงั้นนะใช่แล้วไปจะยิ้ n ไปเองให้ต้องเข้าม n ดูนะขอบค้านะยิ้มายิ้มายยิ้มยิ้มยิ้มยิ้งสมบุกอยยิ้ได้เนี่ยผัมีจะตีกันยากนะไม่ แต่ตอบก็คุณทิศจะต้องชิงกันต่อไปอันนี้ก็ปราสาทพระเดชกุลหลวงพ่อที่เคารอย่างสูงเมื่อปลายเดือนที่ผ่านมาได้ยีงงูงูงูเหลืองูเหนือที่มันตายแล้วตอนนี้ตายหมดเลยเอาคนจนเหลวองคนนะได้มีงูเหลวงตัวหนึ่งขึ้นไปอยู่บนบ้านของลูก อยู่ายในห้องของน้องชายเวลาน้องชายของกระผมจะออกมามันทําท่าขวางว่าจะดีไม่ออกชาวว่านชาวช่างตกตกใจเ็นอย่างมากเพราะว่านจะสูงไม่มีทางที่จะขึ้นมาได้เขาห า, าว่าเป็นลางร้ายไม่ดีแน่แต่ลูกไม่เชื่อว่าจะเป็นลางร้ายลางดีประการใดขอปรึกษาหาเลยหลวกพ่อดีก ว, ว่าว่างูงูเหลืองที่ปลาตกในลักษณะอย่างนี้จะเป็นงูจริงหรืองูปลอม สองเป็นลางดีหรือลางลายสามถ้าจะไม่ให้มีไม่ให้มาจะทำอย่างไรเจ้าคะไม่ยากอะไรทีร่ต่ามหาล่อขออย่าง น, นี้ช่คลงคอช่วยอหนังได้ขายโอ้ยย <c oughs> ังไม่มาเลยเหร อ, อไม่ะเ <c oughs> อาเ น, นื้อแกงกินซะเราไม่รู้ใช่ไรเรียนม ต่อไปกับนั่นต่ไปเฉยกันไปตามเรื่องตำราเลยนะอยากจะพูดผูใหญ่ที่ว่านั่นตายไปแล้วกี่คนโอ้ไม่เห็นไ้คือเขาบอกว่าห่วงซับนบาดเขาะฐานกาแเป็นอะไรตรนไนะโอ๋แล้วที่มานั่งนั่งอ่งอะไรเปล่าอู้วงนิดนึงโอเฮ้ยเ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้้ยเ้ ไม่เชื่อฆาตรงกล่าวได้คำคำทุกข้าถูกแล้วเกิดเป็นคำทุาุก้าที่านไม่ต้องไปตนโตแบบนี้จะไหลขึ้นไหลเลยรบนี่นะใ้เรื่องูเนี่ยโอ้ไม่นดาเชื่อเลยหัวน่นยู่นี่ก ล, ล, ล, ลายเสืเป็นูหลืองไปตายนาย้อง